ปฏิการผ่านอาจารย์พรท่านสาวผชมผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เราจะได้มาส น, น, าทนทนาธรรมกันถามตอบคำถามาไม่มีคำถามอะไรก็เตรียนคำถามไว้ได้เลยในตอบให้ท่านทุกคน อ, า, อาจารย์ผมวม่ไลกลับมาถึงบ้านแล้วเลย ค่ะกลาบมพระอาจารย์ครับสวัสดีพระอาจารย์ครับวันดีนยายเรียบร้อยดีการ เ, รเราดินเรื่องปอดภัยดีค่ะเรียบร้อยอค่ะลูกก็กลับบ้านกันไปนแล้วค่ะวันนี้ไม่มีคำถามาค่ะแล้วฟังค่ะค่ะสาธุคุณออมผมไม่ถามเลยมที่สุท้านี้คือคุณออม ทำมันเร่เลยไครฟัเจ้าค่ะทำมานเล่เลยไครธมามสการ์จะเห็<ส>เเนหน้าหน่อยออไดไหเห็นหน้าหนไหมหไปไหแล้วหลดหลุดครับอ๋ออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวนะมามาม า, มาทำมันเรื่อนเลยเปกดอันนี้พี่ครับได้ยินไหมคะอ า, าจารย์ได้ยินเปิะไหมมีมีคำถามมาถามอาจารย์ ว่อาอะไรว่าอยากทราบว่าแบบการการนอนสมาธิได้บุญมากกว่าการนั่งสมาธิจริงหรือไม่เจ้าคะไม่จริงหรอกนอนอว่าอาจารย์ห น, นึ่งเพราะว่าการการนั่งสมาธินี้ได้บุญมากกว่าการนอนสมาธิจริงหรือไม่เจ้าคะเอาหน้างมันไม่หลับเนี่ยนอนมันหลับนอนทสมาธิมันหลับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สมาธิ นั่งสมาธิมันไม่ลหมือนก็จะได้สมาธิเนี่ยพระอาจารย์น้องถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราแบบเกิดความทุกขาเวทนาในไรแนี้แล้เราจะทํายังไงจ๊ะก็ปล่อยมันทุกไปเถอเราอย่าไปยุ่งกับมันเยี่ยมมันเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเนี้ยเราห้ามมันไม่ได้แล้วเข้าไปอยาพุทโธพุทโธพุทโธของเราไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธใจของเราก็ไม่เดือดร้อน ถ้าเกิดมันปวดแบบมากๆเลยถ้าไหลก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีพุทโธพุทโธในใจอยู่กับมันได้ต้องทำดูเลยทำพุทโธพุทโธพุทโธไว้ไม่สนใจกับการเจ็บของร่างกายมันจะเจ็บยังไงก็เลยของมันมันก็ฝนตกอะฝนตกมันจะฝนตกได้ขนาดไหนมันก็ไม่มาเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันต้องปล่อยตกไปก็คือพุทโธอย่างเดียวเลยพุทโธอย่างเดียวไปเลยค่ะอาจารย์แล้วพระอาจารย์แบบว่า แบบมองว่าจักสงสารนี้เป็นแบบไหนแบบมองว่าเป็นแบบกองไฟอะไแบบนี้ด้วยเปล่าก็มันเป็นกองทุกข์อ่ะมันอันโลกที่เกิดในตายพร้อมในวัฏสงสารก็ตรองทุกข์กับความแก่เกิดแก่เจ็บตายนีแม่ พ, วพรว่าอาจารย์แบบอยากไ ว, พวนน้พรว่าอาจารย์ไว้พรว่าอะไรไม่ต้องไ ว, พว้พรอ่ะไว้พรว่าตัวเราเองเถอะ อย่าให้ป้ายาจนรยคืชอชาติอพิชาตุมีอายุที่แบบยืนยาวมากๆเลยถ้ามันทำได้ก็ดีถมันทำไม่ได้หรอกอนันตา ร, ร่่งกายมันอนันตาเป็นระบบธรรมชาติเมื่อมันถึงมันมีเหตุให้มันหยุดมันก็หยุดมันอย่าไปกังวลกับมันเลยอยั ก, กับากาบรปฏิบัติทําดีกว่า ใช่พระ อ, อาจารย์สุช า, าติอภิชาตัวมีอายุที่ยืนยาวมากมากมากโอเคสาธุทุกอยสาธุ่อาจารย์สุชาติก็สาธุ้ใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมหมดแล้วเจ้ okay. าค่ะโอเคาไปไมาต้องนานไม่ไม่ได้เข้ามาเลยเลยอยู่อยู่ที่บ้านนี่ไหนเจา้าค่ะแต่ว่าที่บ้านมีคนติดโควิดด้วยอ๋อได้ปฏิบัติธรรมเยอะบาก ปฏิบัติเค่ะแบบบางทีนอนสมาธินอน น, อนไปแล้วก็หลับเลยอ่าอย่าไปนอนถ้าจะปฏิบัติต้องนั่งนะถ้านอนนี่ไม่สําหรับหลับ<อ>ถ้าเหนื่อยไม่สำหรับปฏิบัตินะบางทีขี้เกียจนั่งก็เลยนอนเจ้าค่ะก็ไม่ได้ไเลยถ้าขี้เกียจนี่ก็ไม่ได้เลยแต่ว่าดักดักนั่งสมาธิสจ้ค่ะเออมาลองเดินตอนนี้ก็ลองไปนั่งดูไงอันนี้ก็นั่งได้ แต่ว่าแบบจิตไม่เคยรวมทั้งทีแบบบางทีพอติตจะรวมแล้วแบบบางทีมีใครเข้ามาแบบรบกวนเนี่ยก็ไม่อยู่กับพุทโธอยู่พุทโธไปบางทีมีเราไปสนใจใครจะเข้าใครจะมาใครก็ใหของเขาแล้วก็พุทโธเราไปพราจาสุชาติพิชารุปสืบจริงจริงเล้ะเพ่อโอเคสาธุไม่อยากจะติดนุกยอโอเคนะตอนนี้ดั่นนะ สาธุจค่ะสาธุจ้ะคุณนายพลของซัตกะเชิญนายพลซาตกะครับกราบน้ำพระเพ่ออาจารย์ค่ะ พ, พ, <า>พระอาจารย์คะเวลาพุทโธะค่ะเธอเอินเหมือนถ้าพุทโธะค่ะเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ถ้าเป็นอิติปิโสได้ตลอดเลยได้ไหมคะได้ได้ใช้แทนกันได้ไหนได้ดเรื่องอันนั้น คือถ้าสมมติว่าอิติปิโสนี่คือเราก็นั่งครั้งก็คืออิติปิโสตลอดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนมาพุโทโธอะไรอย่างไม่ต้องก็ได้ถ้าเราถนัดอิติปิโสไปอิติปิโสไปสตลอดจนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะไม่ไหวก็หยุดแล้วเรามาดูลมแทนก็ได้แต่ทีนี้พอเวลานั่งนะคะประมาณคือคือมันก็ได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันมันมันยังไม่นิ่งไม่ได้สติอะไรเท่าไหร่เลยถ้ามันจะนิ่งต้องดูลมต่อ หยุดหยุดดีทีพีเวแล้วก็ดูลมต่ออ่คือมันมันประมาณสักคือได้นานสุดประมาณเกือบชั่วโมงแต่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้นิ่งมันเหมือนมันไม่เข้ารวมลอ็ลองลองต่อด้วยดูลมดูลมต่อเลยดูลมเฉยเฉยพอพ อ, อสวดไปสักระยะหนึ่งแล้มันรู้สึกว่าดูลมได้แล้วหันเปลี่ยนมาดูลมต่อ แค่นี้ค่ะเออนั้นเราทําดูนะถ้าดูเฉยๆเดี๋ยวมันเข้าเองเราไม่ต้องทำอะไรค่ะขอบคุณค่ะสาธุคุณหมอท่าสนามเชิญกรับมาสักการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหลอภาษาเป็นชัยก็วันนี้มีคําถามเดียวนะคะคือตั้งแต่กลับมาตอนเนี้ยก็ยังมีความสงบอยู่นะคะพผู้จารย์แล้วก็สองวันที่พระอาจารย์เทศอะค่ะ ก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องสัพเพมานะต่าแล้วทําให้แบบเอาทําตามแล้วมันดูมันดูแบบมันจะดูมันดูแล้วทําให้แบบว่าเรามองแล้วมองไปรักมองอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนกับมันก็เลยยิ่งสงบมากขึ้นก็มีคําถามนะคะพอาจารย์เพราะว่าวันนั้นอาจารย์ะอาจารยบอกว่าเราอย่าใส่แสใใ ส, ส่อย่าใส่แ ส, ส, สตาหรือว่าอยายตนะหกไปก็คือก็คือหมายถึงว่าอยายตนะหกเนี่ย จริงๆมันก็คือเหมือนกันทนนกนทบกทางเดินเหมือนกับที่องค์ตัมมหาบุกทาำเริ่องเสือโคร่ะใช่ไหมเนี่ยเราก็คือใช้สติกับปัญญาคุมตรงนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เราทา ส, สมาธิแล้วก็สติปัญญาคุมตรงนี้เพื่อจะดูแล้วก็ให้มันอยู่สงบอย่างเงี้ยไปได้ไปไ ป, ไปเรื่อยใช่ไหมคะพระอาจารย์คือควบคุมใจของเราอย่าไปสนใจอย่าไปชายแสหาลูกเสียงกลิ่รสต่างๆ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเดินไปเห็นภาพได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นก็มองเป็นไตักไปเลยเอะแต่อย่าไปใายแฉเพราะวโอ้ต้องไปดูภาพยนตร์ไปฟังเสียงเพลงอะไรอย่างเง้นไม่คก็ปล่อยมันเป็นไปตามปกติเป็นธรรมชาติแล้วควรจะดูเป็นไตลัดไหมคะควรจะดูทุกอย่างพอเราเห็นแล้วก็มองว่าเป็นเป็นสัพเพ昙มานาตาคือฝึกตัวเองให้ดูแบบนี้ทุกครั้งเลยไหมคะพราจาหรือว่าก็ดีมองว่ามันเป็นทุกข์แค่เราไปยุ่งกับมัน ถ้าเราไปอยากประมัณนมันจะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่อยากมันก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราปล่อยเขาเหมือนกับเราดูว่าทุกอย่างเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนดินน้ำมุมไฟเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอย่างนี้อะราเรากไม่ค่อยไปยุ่งกับเดินฟ้าอากาศนั่นแะเราปล่อยเดินฟ้าอากาศเขาเป็นไปตามนึงสิ่งต่างๆที่เราสรัมผัสร่างกายผ่าทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็เป็นดินฟ้าอากาศทั้งนั้น ยิ่งแต่เราไปสมมติว่าเป็นต้นไม้เป็นหมาเป็นแมวเป็นคนเป็นอะไรไปบางทีมันก็เป็นหน่งินป้าการเป็นธรรมชาติะน ะ, อะพอเข้าใจอ่ะแล้วก็พระอาจารย์เทศยิ่ยงง่ายขึ้นเลยเดี๋ยวไปเขาเชียโอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่เลยพระรนอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรแ่าเบื่นค่อโอเคสาธุคุณเดชยาเดชยาอยู่ที่ไหนพุทธเข้ามาตั้งแรกเหรอ กรรมนรัตการขับพราจารย์พูดังหน่อยได้ไหมไม่ไดยนะได้ยินไหมครับอ่าได้ยินน ะ, นะค่ะกรรมนรัตการขับพราจารย์เข้ามาครั้งแรกค่ ะ, ะมีคําถามเลยรไหมเออมีคําถามหนึ่งค่ะคืออ่ามีเคยมีคือกลัวเคยโดนฟ้าผ่ะเคยโดนฟ้าผ่าคือจับโลหะแล้วเอ่ามันช็อตนะคะอืมแล้วกลายเป็นว่ากลัว แสงแสงแสงกระจ้าเสียงฟ้าร้องแล้วก็มันกลายเป็นคนกลัวฟ้าไปเลยอะค่ะซึ่งก็เอามาพิจารณาดูว่าตอนนั้นที่โดนฟ้าผ่าลงมามันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแบบที่เรากลัว<ม>ก็มันก็ไม่หายค่ะมันไม่หายกลัวดูว่าเอ๊ะเรากลัวเสียงหรอมันมันก็ไม่เสียงมันก็ไม่พยายามพิจารณาว่าเราก็ยังไม่ตายไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันก็ เอาไม่ค่อยอยู่อะค่ะจะต้องทํายังไงให้มันเอาชนะเรื่องนี้ได้ก็เพิยงต้องลองทาให้ใจสงบด้วยพุทโธพุทโธไปครเวลามันกลัวก็ทาพุทโธพุทโธพุทโธไปส่วนีอตีปิสวดไให้มันสงบให้มันเน้นแล้วความกลัวมันก็จะสงบตัวเลยอ่ะแล้วต่อไปก็สอนมันได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ถ้าจะเจอก็ต้องเจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจอแต่มันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราคือใจสิ่งที่มันทําได้ก็เพียงแต่ร่างกายซึ่งร่างกายไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องตา ย, ยไม่ว่าจะตายด้วยเอกพลกลไกไหนก็ต้องตายอย่างนี้ก็สอนใ ห, ให้ใจยอมรับความจริงเราอยู่ในโลกที่เราจะต้องเจอสิ่งท้งที่เราชอบที่ไม่ชอบและสิ่งที่เรากลัวแต่ถ้าเรา ทำใจได้เราก็จะเฉยๆกับมันได้ต้องฝึกสติให้ให้หยุดตัวก่อนเวลากิดความกลัวขึ้นมาก็ให้ท่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนัสสวดอิติปิโสไปก็ได้เป็กว่าความกลัวมันจะสมบุกตัวเราเราพอใจเราเราจะเห็นว่าความกลัวมันเกิดจากความคิดของเราเองซึ่งสิ่งที่จะถูกทํา ทำลายก็คือร่างกายร่างกายมันก็ไม่รู้จักว่ามันจะถูกทำลายมันถูกทําลายมันก็ไม่เดือดร้อนอย่างผมนี่เวลาเราไปโกนมันมันก็ไม่เดือดร้อนไอ้คนที่เดือดร้อนคือใจ่นะันที่มา <c oughs> มามาครอบครองร่างกายมาโกนผมหน่อยนี่โอ้เดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ผมมันผมมันเดือดร้อนมันไม่เดือดร้อน ร่างกายมันไม่เดือดร้อนต่อความเป็นความตายใจไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่เดือดร้อนถามว่าไปหลงที่ว่าเป็นเป็นเป็นร่างกายเราอสอนอยู่ด้วยปัญญาว่าร่างกายมันไม่เที่ยมมันมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปปกป้องรักษามันได้ไปตลอดถึงเวลาวันไดวันหนึ่งมันก็จะต้องโดนอะไรเข้า ถึงตายบ้างไม่ถึงตายบ้างก็ก็ช่วยไม่ได้ในโลกนี้มั น, จมนเจเ อ, อย่างนี้แต่ไม่ต้องกลัวๆมกลัวก็วไม่ได้เป็นทำนะทำไปป้องกันมันได้เตอนเราทําใจให้สงบเดี๋ยวก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ทําองพุทโธพุทโธมาสวดทิเบตเสือไต นกกวว่าาลัจหไปแสดง ว, ว่าตอนสมมุติว่าเราขับรถอยู่แล้วมีปัดมีฟ้ารขึ้นมาเราก็พูดโธรไปก่อนให้ใจมันเริ่มสงบก่อนแล้วก็พอถึงถึงหลังจากนั้นเราค่อยมาพิเจอหน่อยทีใช่ไหมคะใช่แต่ก็ต้องขับรถก็ต้องดูรถด้วยไม่ใช่ดูแต่พูดโทรศัพเดี๋ยวขับไปชนอะไรไปมัวแต่พูดโธรศัพท์เดียวไม่ได้ ต้องดูรถก่อนหรือว่าขับรถมีรถขวางหน้ามีอะไรก็ตาแล้วท่าใจไปคิดถึงความกลัวก็ใช้พุทโธพุทโธเข้าไปในใจเลยหมดคงถามคะ่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> สาธุคะ่ะสาธุอุบัติัยว่าอะไรต่ออุบัติภัยว่าอะไรธรรสการเจ้าค่ะขอขอนุญาตสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าหาว่าเราได้ ได้ตายไปแล้วว่ะค่ะแล้วแล้ตัวเราหรือว่าตัวทุกๆคนเนี่ยติดอยู่กับการชอบฟังธรรมเราสามารถที่ระหว่างที่รอผลพุญผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลบาปเราสามารถที่จะตามไปฟังธรรมได้ไหจ๊ะค่ะก็อยู่ที่ว่ามีพระพุทธเจ้าหรือมีภาษาวกที่สามาร ถ, ถติดต่อกับผู้กายทิพได้ไหรือไม่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างหูปู่มั่นเนี่ยท่านสามาร ถ, ถติดต่อกายทิพย์ได้ ท่าก็จ ะ, สะแสดงทรรโปรดพวกเทวดาถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ชอบธรรมเดี๋ยวเขาก็จะส่งไลน์มาบอกเราว่าเคืนนี้มีหลวงตาเขาแสดงธรรมอะไรนี้ไปไหมเขาก็จะชวนเราไปประมาณเป็นกระแสดิจิตที่จะส่งให้ทราบเอ่าอมันจะส่งข้อหากันระหว่างพวกที่ฝ่ายธรรมด้วยกันพวกที่ฝ่ายลูกเสียงิีแล้วก็ไปทางพวกที่ฝ่ายธรรมก็ไปทาง พวกทชอบเที่ยวก็ไปไปเสพอาหารทริปกันไปเสพ ร, รูปทริปเสียงทริปกลิ่นทริปพวกที่ชอบธรรมะก็จะไปหาสถานที่ำทำธรรมเนี่ยนะคะแล้วถ้ า, าพูดถึงเรื่องของความอยากถ้าเราเหมือนเราเริ่มปรงแล้วแล้วเรานึกถึงเรื่องของความตายหรือว่าอยากตายเนี่ยมันคือเป็นมันเป็นธรรมหรือว่ามันเป็นกิเลสอช่ไหมะอยากตายก็เป็นกิเลสอยากอยู่ก็เป็นกิเลส พราเราไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติหรือเราไม่ต้องไปยุ่งกับธรรมชาติร่างกายนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปปล่อยให้เป็นเรื่องของของธรรมชาติเอแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าอยากอยู่ก็ทุกข์เวลามันจะตายถ้าอยากตายเวลามันยังอยู่ก็ทุกข์ <c oughs> เราปฏิบัติเพื่อไม่อา้ใจเราทุกข์ เราต้องปล่อยวางร่างกายเหมือนปล่อยวางดินฟ้าอากาศันจะตกและเท่าว่าว่าไม่ไปไม่อยากให้มันตกมนไม่อยากให้มันอะไรไปล่อยมันไปตามธรรมชาติของเขาเข้าใจแล้วจ้าค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะคุณยินดีเจิญจากเซาแคลิฟอร์เนียอากาศคนไทยแล้วเหรอด้ขรับกอด้า สามารถกลับได้ก็กลับค่ะท่านอาจารย์อตอนนี้มาที่ทก็เปิดมาที่หนึ่งก็เปิดแล้วเนี่ยฉีดสองเข็มต้องรเข้าได้แล้วค่ ะ, คะก็กําลังดูรายละเอียดกันอยู่ค่ะแต่เรื่องตัว๋วเครื่องบินก็บุกไว้เรียบร้อยแล้วอะค่ะ<ม>แต่บุ๊กนักษาที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ค่ะ<ม>เพราะลูกกรอบัวเหมือนกันนะคะมไม่ต้องไม่ลํากลับดูแลแต่ต้องฉีดสองเข็มแล้วก็ตรวจตรวจก่อนขึ้นเครื่องเจ็ดสิบสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องทําเรื่องจองที่โรงแรมที่เมืองไทยอ่ะค่ะ ทำใจเรื่องบางทายให้เขาไปอยู่ที่นั่นตรวจเลือตรวจตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะถ้าไม่มีเขาก็ปล่อยให้ไปได้ตามอิสระค่ะท่านอาจารย์ก็กําลังมองมองกําลังดูกันอยู่ค่ะก็บุกตั๋วไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ได้มาเยี่ยมเยียนบางทยกันนะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์สบายดีนะค่ะก็เข้ามากับท่านอาจารย์แล้วบอกท่านอาจารย์ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะท่านอาจารย์ เรนบอกว่าคงยินได้เจอกันในเรื่อนี้นะสาธุค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ค, ค่ะไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีค่ะร่วมฟังธรรมกับท่านอาจารย์โอเคคุณเอกตอนคุณเอกจากเชียงรายการ ร, าาร่วมสักการพระอาจารย์ครับเชิญมีอะไรไหมครับเ อ, อวันนี้ไม่มีอะไรค ร, าารับพระอาจารย์เข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็ร่วมเ อ, อฟังธรรมครับแล้วก็อเอมีอจแจ้งพระอาจารย์ว่า เดี๋ยวประมาณวันศุกร์จะไปปิดวิเวกดูครับอ่าลองดูมันจะได้ก้าหน้าถ้าอยู่อยู่กับบรรยากาศแบบแบบแบบสบายๆมันไม่ค่อยจะกระตุ้นในการปฏิบัติเท่าไหร่ครับผมแต่ึกวิเวกอยู่ที่เปี่ยวที่น่ากลัวที่ว้าเวมันจะได้กระตุ้นให้เราปฏิบัติครับผมครับผมเดี๋ยวไปลองดูครับอสามวันสองคืนครับอาจารย์ อ่าดีข้าวด้วแล้วถ้าอยากจะแถมด้วยการอดข้าวด้วยก็ก็ลองดูไมยิ่ดีอ่ะข้าผมเดี๋ยวเ๋ยวไปดูหน้างานดูว่าเออพอได้ไหมครับถ้าถ้าได้ก็จะลองดูสักวันเนึ่งครับอ่าไม่เล่าข้าวมันจะหิวเราต้องเราก็ต้องใช้สติหยับความคิดมือแต่งกี่ยวก็เรื่องอาหารนะข้าวผมดีข้าวผมถ้าเราอยู่แบบสุขสบายสบายมันไม่มีอะไรมากระตุ้น ไปอยู่มันก้ อ, อยู่กับที่มันต้องมีเหตุการณ์ทุกยากลำบาก ม, มีภัยพิบัติมีภัยรอบด้านอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้เราต้องมีความเจริญสติไวรักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้หิวโหยครับอาจารย่ดีไปเถอะเอาเปด้วยเมฆนะครับ ไปแล้วก็อย่าไปจับกลุ่มคุยกันนะไปไปแล้วก็แยกกันอยู่เ อ, อเอาไม่เหรอครับเพราะว่าเอาที่ที่วัดมีมีผ้ารูปเดียวอาจารย์รูปเดียวเออครับเป็น เ, เป็นอาสายสายป่าครับเป็นอ เ, เออเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาครับเออนี่ครับผมอยู่ที่เชียงรายเลยครับอยู่ที่เชียงรายครับอยู่ก็ไม่ไกลใกล้ใกลบ้านอยู่ครับนี่ มีพระปฏิบัติียู่ใกล้ๆกันนี้่ได้มีมีเพื่อนมีเพื่อนมีครูมีผู้นําทางครับผมดีที่วันโนโมตนาครับผมครับผมครับสาธุครับอาจารย์ครับไม่เป็นไงก็มาเล่าให้ฟังทีหลังไม่ได้นะครับผมคงเป็นสัปดาห์สัปดาหถัดไปครับอาจารย์ไปวันสุกร์เสาร์อาทิตย์ครับได้ขอบคุณพอาจารย์ครับผมถึง ค <S <S ุาพระธนพลเชิญคุณพระธนพลอยู่ที่ไหนเหอ่ยทำไม่ได้อยู่กรุงเทพครับก็จอมีอะไรไหยมีคําถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีครับมันมาร่วมฟังถามก็แค <Okay. S 3> ่โอเคประเด็นแต่ว่าถ้าสมมว่าจะสมมติว่าจะถามอะไรนี่แล้วก็พวกเอ่อเพื่อนๆที่ที่สมาธิก็ถามมาหมดแล้วก็ก็ได้คำตอบไปในตัวก็เลยต้องฟังกันนี้ การตฟังร่วมกันมันก็ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยบาทีเราไม่ต้องถามคนหนึ่งก็ถามก่อนตอนแรกผมคิดว่าเราผมคิดว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เองอยู่คนเดียวอย่เงี้ยคือคิดว่าจะหาทางออกยังไงยังไงเมื่อก่อนที่ผมพยายามที่จะหาทางออกตอนนี้ที่ผมเข้ามาอฟังคำกับอาจารย์คผมเข้าสู่ไม่เป็นเพราะว่าอ่านภาษาังกฤษไม่ออกภาไม่เป็น เลยลอาส่งสี่ส่งห้ามันเข้าได้ก็เลยได้เข้ามาแล้วก็เลยได้ยินได้ฟังคําถามจากเพื่อนๆที่สมาธิเป็นหลายท่านก็มันมีปัญหาที่ตรงกันแทบจะทุกปัญหาเลยก็เลยมีคนตอบแทนแล้วก็ก็เลยนั่งฟังครับวันนี้ไ ด, ด้โอเคเชิญตามต่อไปนะนครับผมน้องน้องมาสกนครับคุณแมนเชิญคุณแมนแานอยู่ที่ไหน อยู่ขบวนปราการครับบางปลีครับอาจารย์ครับมีาาบอะไรไหมวันนี้ก็ก็ครั้งที่แล้วอาจารย์ได้กรุณานแนะนําให้ให้ตั้งเป้าครับเรื่องทางศีลภาวนาก็ตั้งแล้วครับทีนี้จะเรียนถามพระอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าผมละเซ็ตเวลานั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วพอนั่งเสร็จเนี่ยเรามาพิจารณาดูว่าเราวอกแวกไปเท่าไหร่ก็คิดว่าวอลกแวกไปประมาณสี่ห้าครั้ง แล้วแต่ละรอบเนี่ยเต็มที่ที่กลับมาเนี่ยประมาณสักสามนาทีต่อรอบก็ถ้ารวมๆแล้วมันก็วกแวกไปประมาณสักสิบห้านาทีในหนึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ครับอาจารย์แล้วอยากจะเรียนถามว่าไอ้แบบเนี้ยมันเรียกว่ามีสติหรือมีสมาธิหรื อ, อยังครับหรือว่ามันได้หรือยังครับคือถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่ายัางสติยังไม่ต่อเนี่ ย, ยคือมันต้อง มันต้องต่อเนื่งน้ำจิตมันจะสงบนะมันจะมีกาปปรรู้สึกแปลกแปลกประลาดมาสะจั่นใจให้นามาจิตสงบเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเริ่มรู้มากอ่อนก็พยายามพูดโทไปเรื่อยๆก่อนนะครับพยายามโทไปเรื่อยๆครับทีนี้อีกสักคําถามหนึงครับ อ, อาจารย์พอดีเห็นในในเพจอะครับพระ อ, อาจารย์มีบอกว่าทําทานร้อยศีลร้อยภาวนาให้ได้ร้อยเอร์เซ็นต อย่างเงี้ยคือไอ้คาว่าร้อยเปอร์เซ็นเี่ยมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงอะครับประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตะครับก็เรามีเงินเท่าไหร่ที่เราไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้สําหรับตัวเราแล้วก็ทําไปหมดอืทําไปจนถึงจุดที่เราจะไม่เดือดร้อนอ่าไม่ที่ไม่เดือดร้อนแล้วถ้าทั้งอีกขีดนึงก็คือทําหมดเลยเพราะถ้าเราจะไปหมดนี่เราก็ไม่ต้องมีเงินที่ต้อไปครับนี่ก็ทาหมดเลยมันต้องทุเจ้าเนี่ย สาราลาจะสมบัติไม่เอามันแรกแต่บาทเดียวติดตัวไปครับแต่ถ้ายังไม่ได้บวชก็ต้องแบ่งเงินไว้สำหรับใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงอยู่ร่างกายเราวันเงินก็เอาไปทำบุญดีกว่าเอาไปซื้อของพุ่มเฟยอไปเที่ยวไปกินไปครับครับอาจารย์ครับวันศีลศียก็รักษาร้อยเปก็ทุกวันตลอดเวลาพยายามต่อเนื่องครับเนื่อง สินหก่อนแล้วก็เพล่มไปสินแับสินแปดที่สีครับไปแต่แต่สีนี่มันมันมันทํางานนะครับอาจารย์บางเรื่องเนี่ยข้อพอที่อันตรายท่าที่เราทําได้ก่อนครับครับก็พยายามจะแบบไม่ไม่ให้มุสาเรียนตรงๆนะครับอาจารย์พยายามให้น้อยที่สุดนะครับให้เราปิดตาอยู่เฉยๆเวลาถ้าต้องสารก็เฉยๆเครับ พูดเรื่องดินฟ้าตัดไปสบายดีรึเปล่าวันนี้ฝนไม่ตกนะจะไม่ออกไม่อะไรก็ว่าก็ครรัับบอคคือเลี่ยงที่จะไม่พูดสะดวกว่าอจะไม่พูดไม่ไพูดก็ไม่ไม่ผิดอ่าครับครับก็เดี๋ยวก็จะจะจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องครับอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ครับผมก็ตามอยู่ไว้ถ้าเราเริ่มใหม่ๆแล้วอยู่ห่างไม่ไม่แน่ใจว่าจะมี พระท่านอาจารย์คนไหนพอจะมาชี้นำให้บ้างก็มาเจอพระอาจารย์พอดีครับก็อขอบคุณมากนะครับครับแล้วสําหมบัติการก็มีวัดปฏิบัติไหมอย่าวัดอะไวัดศุกร์ใจอะไร น, น, อ, ไรน อ, ไอ๋อไม่แน่ใจครับแต่บางทีก็กลัวว่ามันไม่ถูกกระจริตที่มาเจอพระอาจารย์นี่ก็ภาวนาก็อธิษฐานว่าก็ขอให้เจอสักช่องทางหนช่องทางหนึ่งนะครับที่จะได้เจ อ, อเ ท, ที่ที่มาถูกกจริตขอบพระคุณมากครั บ, ค, นะบ ค, ครับเท่านี้ครับอาจารย์ครับสาธุครับ เป็นต้นรุดาจากสาธิตอีกอันนี้ไปปฏิบัติทำเมหร่แล้วยังอยู่บ้านค่ะมาปฏิบัติแล้วค่ะเจ็ดวันนะค่ะอาจารย์พอดนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พยายามนั่งให้มันเจ็บทำทําซ้าซ้ําๆำอีกค่ะอให้มันเจ็บแล้วพยายามทำใจให้เฉยเฉยค่ะนิ่งนิ่งอยู่บางครั้งก็มีนิดหน่อยมี แบบมันอาจจะไม่นิ่งนิดหน่อยก็ทําแบบที่พระอาจารย์แนะนํามามก็เอาเอาอยู่เหมือนกันค่ะแนึกพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งทีมันต้องเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับผลฟ้ากันเราไปข้ามมันไม่ได้ค่ะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไปถ้าราบแตมันได้ไม่กลัวมันเราก็จะสบายเราไปเวลาเจ็บไข้แด้ป่วยก็ไม่ไม่หวั่นไหวไม่ไม่เดือดร้อน อย่างมากมันก็แค่เจ็บเจ็บแล้วก็ง่าผ่านมาแล้วเราก็เลยไม่ต้องใจไปกลัวอะไรใช่ค่ะบางทีมันก็แยกเหมือนเหมือนเหมือนคราวนั้นบางทีมันก็มันก็หายบางทีมันก็ไม่ได้หายแต่มันแยกอืมย่างเงี้ยค่ะหายก็ดีไม่หายก็ดีหายหายแล้วก็อยู่ประมาณไปอย่าไปอยากให้มันหายนะมันจะมันจะเกิดความเครียดขึ้นมาในใจก็ดูมันเฉยๆกูเบตาเฉย เฉยอยู่ที่อาจารย์คะตับปะาธรรมตับปา่าธรรมตปะแปลว่าเครื่องแผดเผากิเลสก็คือขันติพรบททนขันติตโปโตติติขาพระเจ้าจบอกว่าขันตินี้เป็นธรรมะเริ่มในการเป็นเครื่องมือแผดเผากิเลสผู้ที่จะต่อสู้กิเลสเชน่นเวลาเจอทุกเวทนาแล้วกิเลสมันบอกนีดิานี้ดิบานี้ นั่งว่าต้อใช้ขันติทนพ่ะอาจารยมันคิดขึ้นมาอ่าอาปาธรรมนะอันนี้จารับนั่งปฏิบัติสําคัญมากถ้าไม่มีขันติไม่มีคำบดทนแล้วสู้ไม่ได้เอาเจ็บหน่อยปวดหน่อยเลยรไม่เอาละถอยดีกว่าโอ้ยบางทีมันเจ็บจนเหมือนเหมือนขาวนี่สั่นเลยเหมือนถ้ามันสั่นไป่ถึงเนื้อมันผ่านได้แล้วมันจะสบาย แล้วก็ตอนตอนเดินจงกรมก็ใช้ใช้อาการสายสองที่ที่ย้อนแบบที่พระอาจารย์โอ้โหมันมันรู้สึกสองรอบสามรอบนี่มันเหมือนมันหยุดคิดแล้วมันไม่อยากคิดเหมือนมันหยุดเลยถ้ามันหยุดคิดก็ไม่ต้องคิดขนาดไม่ทำพิจารณาอยู่กับการเดินเฉยๆไปดูเท้าหน่อยถูกแล้วใช่ไหมคะอพวกที่เหมือนจิตมันเหนื่อยเลยะบางทีเป็นถ้ามันฟุ้งเอามาใช้ตามที่มันฟุ่งท่างไม่ ทำมันไม่คุ้นชานก็ไม่ต้องใช้นอกจากเราต้องการถ้าเราปัญญาเราถ้าพิจารณาดูไปเลยดูอาการาจาหลับกับพุโทโธได้ไหมถึงวันที่ปกติปกติเราก็พุโทโธได้พุโทโธก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้จักว่าร่างกายของคนเราทัง้งหมดนี่มันมีอะไรบ้างมาดูไปดูผมดูขนดูเล็บดูผันดูหนันแล้วก็ฉีกหนังออกมาแกะหนังออกมาก็เจอเนื้อเจอ ดันเลื่อนเข้ไปเจอเอ็นเจอกระดูกเจอท<ช>่องเที่ยวในกายนครใช้ได้ดีมากเลยค่ะมันจะได้เวลาดูเขาประกว ด, ด ง, งานเรื่องดูเขาประกวดอะไรกั น, นประกวดโครงกระดูกค่ะพระอาจารยม์มีแค่นี้ค่ะพระอาเติมกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสาธุคุณนันนาตะคุณนันทาันเนี่ยนะจากกทธาม ค่ะการธรรมสกานเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามนะคะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็รับฟังเจ้าค่ะโอเคอาจารย์ใช้ทีมขันแก่นเรื่อมาหาสาระการสารคารวันนี้อยู่ ข, นขนันแก่นค่ะพระอาจารย์ค่ะเออไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ยังคงปฏิบัติอยู่ค่ะ อ, อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันเออสมาธิจะจะ จะได้หรือไม่ได้ก็ก็นั่งค่ะไม่ไม่เหมือนเดิมที่แต่ก่อนวันนี้คงไม่ดีไม่นั่งอะไรเงี้ยค่ะอน้องจีเลยหลราจีเรยพายามจะหลอกให้เราไม่ให้นั่งแล้วก็ตอนนั้นพอไม่นั่งก็เหมือนยิ่งไม่นั่งยิ่งแบบยิ่งหายหายไปค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็นั่งพยายามรักษารักษาอ่าแล้วอะไรกันสแกจิภาษากินเนี่ กำหนดตารางเลยตารางอะไรตอนนี้เหมือนสอนหนังสืออาจารย์ถึงเวลาก็ต้องเป็สอนไม่ใช่ใช่ค่ะถึงเวลานั่นก็ต้องไปนั่งใช่ค่ะทดตารางไว้ตอนนี้เหมือนจะต้องต้องพยายามทำทาตารางหลายๆอย่างเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนมีมีกิจกรรมในชีวิตเยอะเลยค่ะทั้งงานต่างๆก็ต้องต้องเลือกเสียว่าอันไหนมันไม่ซัมพันธไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งไปเอาเก็บไว้แต่สิ่งที่จาเป็น แต่ ค, คิดเหมือนพอาจารย์เลยค่ะบางอย่างเราแบบไอ้อเรื่องนี้มันไม่ได้จาเป็นในชีวิตเนี่ย่ะใช่ไอ้อไม่ทำํำ อ, อ, อ, อันนี้อันนี้อันนี้แล้วเริ่มคิดอย่างนี้อยู่ค่ะพาอาจารย์แต่ว่ายังทําไม่ค่ยได้นะคะแต่ว่าเริ่มเริ่มมีสติและวะ้วว่าอันนี้ไม่ไม่ต้องทําไม่ได้มีประโยชน์อะไรในชีวิตเลยค่ะเริ่มค่ะเริ่มเริ่มเริ่มคิดได้แล้วก็แต่ว่าก็ยังยังมีหลงไปอยู่ค่ะพอาจารย์แต่ว่าจะพยายามสุยาเวลาไปรับใช้กิเลสมากมาก ใช่ค่ะกิเลสเรามีควรจะมารับใช้สองอย่างการรับใช้ร่างกายการรับใช้จิตใจใอน่างกายเราก็ต้องเรียงดูเหมัน<อ>ใช่ไหมค่ะ<อ>แล้วจิตใจเราก็ต้องคอยรักษาให้มันสงบปฏิบัติธรรมส่วนอย่างอื่นี่ดูน้อคอนไปคุยกับเพื่อนไปอะไรนี้ไม่จําเป็นได้อะไรบ้างก็ไม่ได้<อ>ได้ความตื่นเต้นแล้วก็ผ่านใจแกล้งเราไปพักอืม ซูอมานั่งสมาธินี่่ะนั่งสมาธิได้ต่อไปจะไม่เหงา อ, อยู่คนเดียวได้อย่างสบายอาจารย์คะถ้างั้นถามค่ะแต่ไม่ถามเพราะว่าตอนปลายที่สุดในชีวิตนะคะเราเหลืออยู่ตัวคนเดียวเราก็แก่เราจะทํำยังไงดีคะในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าเราก็แก่ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นถึงก็ตายตายก็อยู่ตามภาษาของแก่ ถึงวันถึงป่วยก็ป่วยไฟใช่ไหมคะพระอาจารย์คือถ้าปฏิบัติมันมันมันพอมันปฏิบัติแล้วมันไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายค่ะถึงเราจะเหลืออยู่ตัวคนเดียวในบ้านก็ไม่เป็นไ<ม>รใช่ไหมหเพือ่อตามที่เรากินได้เราก็เพื่งตัวเองได้ถ้าปากกินได้มืองก็ต้องหาอะไรมากินได้เอง ถ้าป่วยก็ป่วยไปนะคะผู้อาวุย์ไม่ถึงว่าเราก็ระวังใจอรักษาไปไม่ต้องัวอกไม่ตงกลัวแ่กลัวเพราะว่ที่บ้านไม่มีใครแต่งงานทุกคนค่ะอาจารย์มันก็จะแบบเล่ยหลอกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าต้องจ่ายกันไปต้องจ่ายกันไปในที่สุดค่ะก็เลยคิดถึงว่าถ้าเหลือเหลือแค่เราคนเดียวอะไรอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ ถ้าเรานั่งสมาธิได้ปฏิบัติ ท, ทําได้เราก็จะไม่เหงามันก็จะไม่เดือดร้อนกับดีใจที่เป็นใครมารบกวนเราอยู่คนเดียวแสงจะสบายอืมอยู่กันหลายคนนั่นเดี๋ยวคนนั้นก็มาชวนทํำนู่นชวนทานี่เราไม่ไปทํำกับเขาก็จะหาว่าเราหยิ่งเราอะไรใช่ค่ะค่ะค่ะอาจารย์จะพยายามอ่าพยายามฝึกสมาธินั่งสมาธิให้ได้ถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วต่อไปจะไม่เดือดรอน ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีทีวีดูไม่ต้องมีขนมเกินไม่ต้องมีเพื่อนแย่เงเขาอะไรมีสมาธิเป็นเครื่องแกเงเขาดีที่ดีที่สุดมันเป็นของ ม, มันเป็นของที่มีอยู่ในใจแเราพอเราทําให้มันเกิดขึ้นได้เราก็สามารถทํามันได้ทุกครัที่เราต้องการค่ะพยายามอยู่กับตัวเองให้ให้แบบได้มากที่สุดนะคะพู้อาวุโส ออกใหน้อยที่สุดความสงบที่เกิดจากความสงบนี้ไป็ความสงบที่เหนือเราความสงบทั้งปวงค่ะค่ะไม่ต้องพึ่งพาสายไทยไม่ต้องพึ่งเดินทองไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นพึ่งสติอย่างเดียวมีสติตัวเดียวค่ะก็คือมีสติอยู่กับความสงบอฝึกสมาธิสติคอวบคุมความกิดหยุดความคิด เนื่อการให้มีสติอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายเคลื่อนไหวก็ให้เฝ้าดูเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อยอให้ใจไปคิดเรื่องให้อยู่กับการการทางานของร่างกายเวลานัางน่งเรดูเราหายใจแล้วพุโทโธไปแล้วจิตก็สงบสงบนล่งแล้วก็เย็นสบายจะแปลกประหลาดมาสัจจานใจว่าโอ้ความสุขอันเลื่อนประสริฐนี้ไม่ต้องเสียเงินนะ มันก็มีเงินล้านพอทำใจให้สงบได้นะ<ช>ะเราจะไม่ฉิชาคนนั่งคนรวยต่อไปมันจนะรวยขนาดไหนเราสู้ความสุขันนี้ไม่ได้ค่ะกำนะนหนเ ว, าวลากำหนดเวลากำหนดตารางไว้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะตั้ง ไ, นะไปเราก็เลยตัดไปอันไหนที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไป ค่ะเอาเวลามาปฏิบัติดีกว่าเดี๋ยจงมมนั่งสมาธิสองอย่างนี้แล้วก็ฟังเทศบังธรรมเนี่ยเนี่ยจนมันพูดกำลัาฟังธรรมมามาันเติอความรู้บางทีบางทีมันปฏิบัติไปถ้าบ้างแล้วมันรู้สึกเพ่งความก็บังธรรมมันจะได้จะได้กลับมาเข้ามาในร่องทำนองของธรรมต่อไป ทำทำนี่คืประโยชน์นะบางที่ฟังแล้วมันได้กําลังใจได้ความรู้มางทีปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เสร็จฟอไม่เราทําถูกหรือเป่าทำผิดแล้วป่าดีหรือเป่าอยากใจก็ไม่ค่อยอยากจะทำพอมาฟังทำปั๊บได้ยินได้ทำถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติมาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เออมีกําลังใจเนี่ยปฏิบัติต่อคนะรูอาจารย์ สมัยที่ไปอยู่ผาหลวงตาเนี่ยท่านคอยเรือกภาพมาประชุมนะสี่ห้าวันห้าวันก็เรียกมาอนอบรมทีตอนดี้ฟังธรรมท่านเหมือนต้นไม้ได้น้ำมันกระ ช, ชุวมกระชวยกลับไปเดินตรงกลมได้หลายชัวย่วโมงธรรมดานอนละแต่คืณนั้นแม่นอนดึกนะนะต้องฟังธรรมด้วย ต, ต้องฟังธรรมด้วยสลับกับการปฏิบัติแต่ไม่ต้องฟังมากอาทิตย์ละครั้งก็โอเคเหมาะสมค <ừ> วร แตจจะฟังมากก็ได้ถ้ามีเวลาอยากจะเกิดฟังทำก็ฟังได้แต่ต้องฟังธราของพระปฏิบัตินะถ้าเกิฟังของพระไม่ปฏิบัติเดี๋ยว ส, สับสนเดี๋ยวงงค่ะฟั ง, รฟ ง, ฟงเรื่องปฏิบัติเรื่องเดินโมกลมเรื่องนั่งสมาธิเรื่องจ า, าระสติเรื่องพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยแต่าไปฟังเรื่องพระพรอาิย์ ถ้าอภิธรรมมีกี่ปีดกมีมีกี่ข้อมีกี่อะไรมันจะเป็นความปวดหัวมันจ<ม>ะมนไม่ต้องรู้ความรู้ระล่านันไม่จำเป็นต้องรู้ค่ะโอเคนะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคคุณธรรมะวันใช่ไม ท, ทมธรรมธรรมวันธรรมวันอยู่ที่สามเซนก็ทมมันแเหมือเจ้าค่ะ ทั้งแนงเปล่าทั้งที่สองเจ้าค่ะคราที่แล้วที่สองเดือนที่แล้วที่มาแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้เอาทีวีไปทิ้งนะคะที่ลูกติดติดดูเดี๋ยเออตกลงไม่ได้เอาไปไปจากนะเจ้าค่ะก็พอดีทีวีอันนี้มันแคสกับกับยูทูบได้ก็เลย ฟังผ้าจาย์แล้วเอาขึ้นทีวีเลยได้ก็อันนี้ก็มีเหตุผลเอาไว้ฟังทก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าถ้าฟังไปมันเราไม่ได้ฟังทั้งวันบางทีก็ใช้เปิดคลิปะ้าจาย์ที่ตอบคำถามภาษาอังกฤษโยมก็ฟังออกสักแปดสิบเอร์เซ็นนะคะโยมถือว่าแบบเราจะต้องเพ่งแบบเขาเรียกอะไรฮะใช้สมาธิมากในการฟังภาษาอังกฤษก็พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็น การการพักพักเหนื่อยจากการจากการปฏิบัติได้ดีค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเจ้าพาร์จันเมื่อห้าวันที่แล้วเนี่ยยมอยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในห้องคอนโดคนเดียวเมื่อห้าวันที่แล้วเนี่ยมีอาการคลื่นไส้เป็นลมแล้วก็คลื่นไส้สิบยี่สิบครั้งจนกระทั่งตัวชาไปหมดเลยคิดว่าตายนะคะตอนแรกเนี่ย ตอนแรกที่เป็นเนี่ยคิดว่าทํายังไงเนี่ยถ้าฉันตายไปมันต้องอยู่ตายในยห้องต้องเหม็นเน่าคนอื่นต้องต้องมาเก็บกว่าแล้วมันจะคิดทั้งนั้นที่ไม่สบายอยู่พอทําได้สักสิบนาทีไอ้ยพอเป็นไปนได้สักสิบนาทีไม่เอาลักใครจะเป็นอะไรก็เป็นฉันแบบอยู่ดูลมหายใจดีกว่า mm. พออยู่ดูลมหายใจเจ้าค่ะมันน้ํามูกมันไหลเต็มหมดมันก็หายใจมันก็ดูไม่ได้อีก ต้องหาปากพะ ง, งาบพะ ง, งาบโยมก็เลยใช้วิธีไม่ดูทั้งลมที่จมูกทางปากก็ ห, หมายถึงว่าปล่อยใจให้มันว่างคิดว่าคิดว่ายกทั้งหมดหายไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ไม่้ก็ดีแล้วว่างเมื่อปากถ้าว่างถ้าว่างสงบก็ใช้ได้ว่างร่ า, า, ง, างกายไปเลยว่างร่างกายไปเลยคือมันหลับไปเลยทั้งหมดหลับไปเลย ก็่ังดีก็ยังดีไม่ไม่กลัวไม่ไ ม, ไม่ตื่นเต้นตกใจก็อย่างดี้เราก็ตื่นเช้าเลย อ, อย่างเงี้ยค่ะหรือว่อาการดีขึ้นแต่ทุ่เนี้ยยังเป็นไข่อยู่ทุกวันทีนี้โยมมีมีปัญหาที่ว่าเวลาเป็นโยมเป็นไข่โยมนั่งสมาธิโยมภาวนาไม่ได้เลยมันเราต้องเราต้องฝืนใช่ไหมคะ ฝืนเจ้าที่เราจะฝืนได้ถ้าฝืนไม่ได้ก็นอนภาวนาไปก็นนะถ้าเป็นไข้ไม่สบายก็หยุดทำในในท่านอนไปก็แล้วกันพุทโธพุทโธในท่าน อ, อนก็ได้เจ้าะที่เพราะที่ร่างการมันไม่ไหวจริงๆให้มนันนั่งมันนั่งไม่ไหวก็นอนนอนภาวนาได้เจ้าค่ะค่ะงั้นโยมแค่นี้ค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะนนอนภาวนานอนทํำทำไปก็ได้ให้มีรายรักษาใจไม่ให้ใจ วุ่นวายแม่ให้ใจทุกเรื่องการมันจะเจ็บค่ายได้กวดก็ปวดมันเจ็บไปตามเรื่องของมันมีอาหารกินก็กินไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันมันจะหายก็หายและไม่หายก็เรื่องของมันเจ้าค่ะขอบพระคนเจ้าค่ะต้องรักษาใจเราไม่ให้ตื่ตะไม่ให้ตื่ตลอดไม่ให้วาดตัวให้รู้สึกเฉยเฉเป็นเรื่องธรรมดานะะ เจ้าค่ะแต่ขอพวกคุณเจ้าค่ะโยมพี่เจ้าค่ะเวลามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโยมปล่อยเลยโยมบอกว่าปล่อยเลยอย่างเงี้ยเลยดีแล้วหลังไปเวลาเจอของเจนจะได้รู้วิธีทำปล่อยเลยขอบคุณเจ้าค่ะแล้จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเจ้าค่ะ มาด้วยคุณบาิกาใช่คุณอยู่ที่ไหนคุณบาริกาได้ยินไหมไมันภาพนิ่งก็แบบปั้นภาาพไปยไม่ได้ยินครับคุณบาลิกาต้าองเปิดไมค์ก่อนนะอันนิ้วไมค์ประพวงเห็นไม่มอยู่ข้างน้ากดอันนี้วเลยฮะมันมีปุ่มกดได้ยินะได้ยินนะพูดดังๆหน่อย าการรักษาพระอาจารย์อ่าอยู่ี่ไหนค่ะก็วันนี้มาติดตามคลังทูลพระอาจานย์ค่ะผู้พระอาจารย์บอกอาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่าให้พยายามปฏิบัติให้คล่องขึ้นเท่าที่ในเรื่องของสติยังไม่เน้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยก็ายามทําก็คือในเรื่องของการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็คือจะได้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาผ่านไปแล้วชนการทํางานเมื่อเรากเกษียณแล้วทุกอย่างก็ทิ้งมันเป็นขยะทั้งนั้นว่าก็นึกสึงว่าเวลาเราจะต้องจบชีวิตลงไปก็เราก็ว่าทุกอย่างมันก็เป็นขยะดังนั้นสิ่งที่เราตามเราไปก็คือความดีดังนั้นตอนนี้ก็ตังเนึ่งองที่ที่ผ่านมาก็นึกว่าเราต้องต้องทําดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําดีได้ในคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะนี่คือข้อคิดที่ได้ จากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแหลังจากได้ผู้าวุโได้ชี้แนะให้มีสตินะคะผู้อาจารย์ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นนะคะผู้อาจารย์ก็ได้ไม่ที่ควรเ่าะว่ในเรื่องของโรามาเล่นทุ่งกับการที่เราต้องเก็บของจัดของรุ่นนี้นั้นก็คือเราก็ต้องมาอันนี้ค่ะผู้อาวุโสมีมีคําถามอะไรไหมไม่มีค่ะผู้อาวุโสวันนี้คก็พยายามทําตามที่เราได้ข้อคิดมา ตามวันี้เราจะทำแต่ความดีความเชื่อเราจะไม่กระทำแล้วจิตใจของเราก็จะไ ม, มีสิ่งที่ดีติดตัวไปโอเคนะสาธุเจ้าค่พระอาจารย์คุณอ้อมจากบอกวินเชิยนอ้อาจำมานได้เห็นมานจำได้ <laughs> นักมาตการค่ะผูา้อาจารย์พอดีเอาคอมเข้าเราไม่ไดียินเสียงก็เลยใช้มือถือค่ ะ, ะไม่ใช ไ, ไ, ไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีคําถามค่ ะ, ะเห็นไปที่คุณสอนเด่นสอนดวงสอนดวงพรเด่จากประเทศลาวนะนะสวรรณเขตนักมาตรการผูอาวุโสได้ยินไหมคะได้ยิ น, นะะได้ยิน มีอะไรไหมเข้ามาร่วมฟังทำแลยมาขอพอรพระอาจารย์ในการปฏิบัติพระอาจารย์โอเคพรนงินเี็ที่สุดก็คือการจเจริญสติเนี่ยเจริญสติแล้วใจจะสงบแล้วใจจะพบกับความสุขที่แท้จริงการอวยพรนี่มันไม่ได้ให้พรกออ็ขอให้มีความสุขมากๆเออเนี้ยมัน <c oughs> ก็มันก็เท่านั้นแหละเข้าหูซ้ายออกหูขวามันไม่ใช่ทําให้เกิด ความสุดขึ้นมาต้องมีสตินะเราจะสตินั่งสมาธินะเดี๋ยวก็จะได้ความสุดวิเศษอาจารย์กตั้งใจปฏิบัติจริงๆคะครับอาจารย์ อ, อด็ฟังมาแล้วเี่ยเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยสามปีแล้วค่ะอาจารย์สปีลเหลอรอค่ะที่ติดตามมาเนี่ยเหรอใช่ค่ะตอเดี๋ยวนะางปฏิบัตินะให้จริงๆอยากจังทีค่ะ Okay. คุณกำเพรียพันคุณเพรีพันใชเพเจอกมไหมกมันนกับนมัสการพระอาจารย์ค่ ะ, ค ะ, คะมีอะไรไหมวันนี้ ย, ยมยมดีใจค่ะที่ได้ได้ได้เข้ามามาพบพระอาจารย์นะคะเพราะว่าการได้พบ ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นความโชคดีของเราอะค่ะแล้วก็โยมก็ได้ฟังธรรมะที่พระอาจารย์ถ่ายทอดอะค่ะก็คือโยมก็ไม่ค่อยเก่งออนไลน์เนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็ให้ลูกสาวมมสามทำให้อะค่ะก็ก็ก็ก็น้อยน้อยครูบาอาจารย์น้อยท่านที่จะให้โอกาสลูกศิษย์ได้ถามตอบแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ของโยมอะค่ะคือที่ที่ ที่ชอบคนนี้คือว่าปฏิบัติเองแล้วก็ไม่ค่อยได้คือทําธุรกิจการค้าค่ะที่บ้านก็เป็นลูกคนโตก็ไม่มันทิ้งธุรกิจไปไม่ได้เหมือนมีโซ่ตัวติดขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่เป็นไทยแล้วพอมีครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะสามีก็ไปรับราชการทหารนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือตัวเองอยู่กับลูกแค่สองคนก็เลยต้องทำหน้าหน้าที่ดูแลลูกอะค่ะ แล้วก็แตดใจอ่ะหัวใจเนี่ยชอบในการปฏิบัติเพราะว่ามันมันได้มาโดยบังเอิญที่โยมบอกพระอาจารย์ว่าโยมกลัวผีนะเขาก็เลยสอนพุโทโธตั้งแต่เจ็ดขวบอะค่ะเพราะเพราะความกลัวผีอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ทำตรงเนี้ยติดเป็นนิสัยอยู่สี่สิปีอะค่ะพระอาจารย์มันเมื่อโยมโยมเพิ่งจะหายป่วยค่ะพระอาจารย์เดือนเดือนที่แล้วทั้งเดือนโยมเป็นโรคหัวใจมันเต้นเต้นรัวแบบจะหลุดอะค่ะแต่ทุกทีโยมป่วยเนี่ย โยมนั่งโยมเข้าสมาธิอะโยมหายไม่เกินสามวันค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าไม่มันภาดจะแตกอะค่ะไม่รู้มันจะออกทวารไหนมันจะออกปากออกตูดออกไม่รู้ทวารไหนมันจะแตกระเบิดหมดทั้งกายเลยค่ะพระอาจารย์เมื่อเมื่อหลายปีก่อนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็เราก็บอกแฟนว่าเ อ, อิมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นึกในใจว่ารู้เลยค่ะพระอาจารย์ว่าคนเราเวลามันจะตายเนี่ย มันมันสติมันเอาไม่อยู่จริงๆอะคะ่ะพระอาจารย์วันนั้นโยมก็รู้ว่าต่อให้ถึงโยมไปโรงพยาบาลหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้อะคะ่ะรู้เลยว่ามัน คาดมันจะแตกอะค่ะวันนั้นนะคะ uh huh. แล้วแฟนยมก็บอกไหนายปฏิบัติดีนักไม่ใช่เหร อ, เ ห, อเหมือนคํานี้เตือนสติยมเลยยมนึกไม่ไม่ถึงเรื่องกรรมฐานเลยค่ะพระอาจารย์ <S <S พอพูดนี้นะ้ยมหายโง่เลยค่ะรู้เลยว่าคนตายนี่มันกระสับกระส่ายสติไม่อยู่จริงๆพระอาจารย์ยมเดินขึ้นเตียงแล้วปงเลยคราวนั้นนะคะพระอาจารย์ยมก็นอนอยู่ในท่านานสามวันสามคืนค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนที่ยมนอนเนี่ยตอนกลางคืนยมจะเปิด โอว่าธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปแล้วอะคะ่ะมันจะมีอยู่วัดวัดหนึ่งแถวจังหวัดนนนะคะท่านจะเปิดให้แต่ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งประจําเนี้ยค่ะแล้วยมก็นอนทํากรรมฐานต่อเนื่องอยู่สามวันสามคืนแต่แต่โยมนอนเนี่ยแต่จิตยมตื่นรู้นะคะพระอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดอะไรอะยมเดินกรรมฐานตามแล้วคืนที่สามอะมีมีอะไรจะถามไหมไม่ไม่ท่านพูดเรื่องแยกธาตแต่แล้วโยมก็ทําตามแล้ว ยมก็หายป่วยเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่คืนนั้นเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยมป่วยมาทั้งเดือนเลยพระอาจารย์ทำยังไงก็ทําไม่หายยมก็บอกแฟนยมว่าแฟนยมก็บอกว่าเออออกกําลังกายดูยมก็บอกคนเราถึงเวลาตายมันก็ตายนะต่อให้กินดีก็ตายต่อให้อยู่คาโรงพยาบาลอยู่กับหมอแท้ๆก็ตายนะยมก็ทําใจว่ามัน มันมันปกติมันต้องหายแล้วค่ะพระอาจารย์พอยมปงว่าตายก็ตายยมยมก็เข้าไปนอนใหม่สามวันยมเพิ่งหายเนี่ยค่ะพระอาจารย์ยมก็เออดีดีใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่โยมบอกพระอาจารย์ว่าโยมทําท่านอนอ่ะตอนโยมตื่นเนี่ยยมก็เดินพุทโธตลอดนะคะไม่ใช่ทําแต่ท่านอนอย่างเดียวค่ะค่ะไม่ใช่ว่านอนแล้วหลับอย่างเดียวคือคือตอนตื่นมาขาขวาพุทขาซ้ายโธแล้วก็ลมหายใจเข้าออกให้มันตรงกับขายมก็จะได้ตัวสติอ่ะค่ะ แล้วยมก็เลยติดเป็นนิสัยคือทำทาต่อเนื่องทุกอริียาบทนะคะแต่ก็ประกอบกับการทำงานทั้งโลกด้วยอะค่ะพระอาจารย์ยมเป็นยมเป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนตอนจัดเสร็จภา ร, รกิจทั้งครอบครัวยมจะว่างกลางคืนไงคะพระอาจารย์ ม, มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติของเรา แต่การที่เราเป็นเป็นเพศขอให้คนอื่นขอให้คนอื่นคุ้นบ้างนะการที่เราเป็นเพศหญิงอะค่ะพระอาจารย์หาโอกาสถามครูบาอาจารย์ยากบางทีการปฏิบัติมันเกิดอะไรแปลกๆหรือติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้อะค่ะตอนนี้ถามได้นะไม่ถาม กนเนี้ยค่ ะ, คะก็เพิ่งจะรู้จักพระอาจารย์ก็กลับเรียนท่านก่อนนะคะว่าโยมปฏิบัติมาแบบประมาณเนี้ยค่ะเราจะยังไงต่อคะก็มีชติต่อไปพูดโทนต่อไปใจให้งห่าสงบปล่อยวางร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ระช่างมันถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ฝอยมันไปค่ะแต่แล้วทำไมเราปล่อยปุ๊บแล้วมันหายคะหลวง มุ่งพ่อยมก็งงคับพระเจ้าบางบางทีใจไปกดบางดีใจไปกดมันไงไปกดมันไ้เหมือนไปบีบคอมันพอเราปล่อยพ่อล้วก็เหมืนจะคลายยมยมก็นื้อว่างานนี้มันเอายมแน่ตันเดือนนึงไม่หายทําไม่ผ่านนะคะพอสามวันหายยมก็เออพอเอ้พอยอมตายจริงๆไม่ยึดเลยยอมยอมจริงๆและฉันยอมและฉันสั่งแฟนให้ผงหมดแล้วว่าเออถ้าตายก็ตายนะกับไม่ตายว่าเจ้า โอเคนะท่านดีกว่านะยมก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอพบพระอาจารย์นะคะแล้วก็ดีใจที่พระอาจารย์เมตตาให้ญาติโยมได้สอบถามมะค่ะท่านนี้ล่ะค่ะพระอาจารย์คุณหลวุทธาเสนอยากประทุมธานีฮะปุมธานีค่ะมีอะไรหมตอนนี้ลูกปถามเรื่องสีเจ้าค่ะมา ค้ะอ่าพอดีวันพฤหัสมีที่ผ่านมามีเจ้าของนําูกน้อเข้ามารักษาแต่ลูกมองไปที่ตัวเขาปากเพราะว่ามีบาดแผลแล้วมีตนอนแมลงวันอยู่เป็นจํานวนมากเจ้าค่ ะ, อะพอเห็นดังนั้นลูกก็เลยกลัวว่าถ้าลูกไปไปทําอะไรกับตัวสัตว์จะทําให้หนอนตายเป็นจํานวนมากก็เลยปฏิเสธเคสไปเจ้าค่ะอย่างนี้มีสองคำถามจะถามหนึ่งอการที่ลูกปฏิเสธการรักษา เป็นการขัดความเมตตาหรือไม่ใช่ค่ะมันก็เมตตาถ้ามันเมตตาส่วนหนึ่งแล้วมันไปทำร้ายส่วนหนึ่งมันก็ก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันมันมันมันจําเป็นตัวกันจะค่าหนอนดีไม่ว่าจะรักษารักษาสนับ ด, ดีก็ถ้าไม่รักษาก็ไม่ถือว่ามันก็ไม่บาเปเพียงแต่เราขาดความเมตตาต่อส่วนะ แต่เราก็เราไปเมตตาต่อตัวหนอนใช่ไหมที่บอามีตัวหนอนเยอะแยะเป็นร้อยร้อยตัวเลยเจ้าค่ะอต่ก็ถ้าอยู่ว่าเรารักษาเนี้ยเราอาจจะต้องทําให้ตัวตัวหนอนปแปลงพันตายตายไปเราก็เลยเเืือน่อยทางว่าปล่อยให้เป็นเปนเป็นกรรมของของสุนทรไปสุนทรไปก็เลยแจ้งว่าต้องไปที่โรงพยาบาลค่ะโอเคค่ะ นย่างนี้ลูกทําผิดไหมเจ้าค่ะไม่ผิดแล้วก็เหมือเวลาคนก็มาให้เราทําแท้งแล้วก็บอกว่าเราไม่ทํำเราทําไม่ได้สมมุตินะนะแต่ไม่บาปแต่อาจจะขาดความเมตตาไม่สงสารหมาสงสารหนอนสงสารเจ้าคะแต่กัวผิดิีลข้อหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะก็ทําไปดูเบรกก็ทําไปดูเบรกขาไปแล้วนะเมื่อเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็ทําไปดู เป็นกรรมของเขาไปกรรมของมากรรของร้อนไปแล้วค่ะคําถามอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะอลูกอยากทราบว่าจิตสุดท้ายของเรามันคือจิตปัจจุบันของเราหรือไม่เจ้าค่ะถ้าตายตอนนี้มันก็เป็นมันก็เป็นจิตคือมันไม่มียจิตอดีตจิตนนาคคุณหรืมันมีจิตปัจจุบันเพราะมันเวลาจริงๆมันไม่มีอดีตไม่มีนาคมันเป็นปัจจุบันตลอดเวลา แต่แว่าเราส่งใจเราไปคิดถึงอดีตส่งใจเราไปคิดถึงอานาคตเราคิดว่ามันมีแต่บันทีไม่มีมนะอดีตมันก็เป็นเหมือนความฝัว่อาอานาคตก็เป็นเหมือนกับพยากรณ์สิ่งที่มีอยู่ทุกช่วงทุกขณะก็คือปัจจุบันนี้ทนถ้าเราฝึกจิตให้เราให้ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วให้เป็นจิตที่เป็นบุญศลมันก็จะเป็นบุญศร์ไปตลอดพอเวลานั่งตายตายไปจิตมันก็เป็นบุญศร์มงมันอยู่แล้ว ควันนี้ลูกหมดคำถามจ้ะ <Okay. S 2> ค่ะขอบคุณคะคุณบาลีจาคุณบาลีจากกองทอันนี้ในบางบัวทองก็อยู่เยนากาศอยู่บางบัวทองค่ะหลวงพ่อวันนี้จริงๆหนูก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรก็เข้าใจที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่ว่ามันก็ยังไปไม่ถึงค่ะหลวงพ่อทําไม่ไหวสติไม่มีกาลังไม่พอ ก็ทําตอนเนี้ยกลับไปทํางานค่ะมันก็ได้ได้นิดหน่อยอะอย่างเช่นช่วงเช้าหนูก็แวะไปปฏิบัติแล้วก็พอกลับมาเลิกงานก็ถึงจะได้มาทําต่อตอนค่ําอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยได้<ม>ได้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าที่ควรการปฏิบัติแล้วไม่ต่อเนื่ยมันแบบ ล, งลง้มลุกคลุกคลานอยู่ก็<า>ต้องยอมรับสภาพว<ส>่าเป็นอย่างนี้จะไปแข่งกับคนที่เขาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทำกระสู้เขาไม่ได้ เราอย่างงงกุกการอยู่คนที่เขาวิ่งได้แล้วเขาก็ไปเลยวก็แล้วล ก, ก็จะพอเป็นช่วงจังหวะว่าถ้าสมมติช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยถ้าหนูไปวันได้เงี้ยหนูก็จะไปอย่างต้นเดือนหน้าเงี้ยหนูก็จะไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะได้แบบได้เป็นช่วงแล้วก็หยุดแล้วก็มาแบบได้เก็บเล็กๆ็ ก, กน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าทําปฏิบัติทุกวันนะคะหลวงพ่อใช่อย่าให้มัน อยมันน้อยกว่าที่เราเคยปฏิบัติตัวเองพยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะแล้วคนถามนิดนึงช่วงที่เราไปปฏิบัติที่วัดนี่มันจะมีช่วงที่เราพักอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปช่วยงานของวัดแล้วเขาให้เคลียร์พวกของที่คนเขาบริจาคมาแต่ว่ามันมันเสียอย่างพวกทูบเทียนเนี้ยแล้วเราทิ้งเนี้ยเราจะบาปไหมคะอาไม่บาปนะของเสียมันใช้ไม่ได้นี่ยมันเป็นขยะไหมอ๋ค่ะหลวงพ่อ แล้วและอีกคําถามหนึ่งคือตอนเนี้หนูกลับไปทํางานแต่บางทีมันก็มีเรื่องที่เราทุกใจอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วหนูก็ใช้สติอะว่าเหมือนมองมองให้มันเป็นไปแล้วว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไม่เที่ยงแล้วเราไปบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ใจมันทุกข์อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อถูกต้องบางทีมันสิ่งที่มันเหนือวิสัยเราเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่อง แล้วถ้ามีบางบางเวลาบางจังหวะมันจะเวบเฟว่ามันยังวางวางใจวางทุกข์ไม่ได้เงี้ยเราจะทํายังไงอะคะหลวงพ่อก็หยุดมันด้วยสติเนี่ยถ้ามันวางไม่ได้ก็พุโทโธพุทโธพุทโธไป้าเราดูว่าเราต้องการจะวางแต่มันไม่มีกําลังวางก็แสดงว่าเราขาดสติแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปถ้<อ>เาเดียวมันก็วางนะได้ พอพอพอพอนึกถึงตรงเนี้ยอว่าไม่ให้ใจเป็นทุกข์ค่ะกลัวถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นทุกข์ตรงเนี้ยเราตายนี่คือเราลงนราลกเลยใช่ไหมคะหลวงพอ่อถ้าจิตเราเศร้าหมองอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็แล้วแต่ว่ามันมากน้อยเท่าไหร่นะ้อเมื่อสายเหตุกุญแจใดแต่มันไปอภัยล้วมันเศร้าหมองมันจะพยาภา ย, อายพอพอคิดว่าเดี๋ยวถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตรงเนี้ย มันก็เหมือนมีสติกลับขึ้นมาค่ะหลวงพ่อมันก็กลับมาอยู่กับพุทโธปกติเราก็เออวางใจว่าก็เราห้ามไม่ได้อะไรมันจะเกิดก็ก็ปล่อยมันทีนี้มันก็คือค่อยสบายใจขึ้นมาคือมันจะเป็นแบบช่วงๆอย่างเนี้ใช่ถ้ามันไม่ยอมปล่อยก็ใช้พุทโธบังคับมันใช้สติบังคับให้มันปล่อยให้มันเข้าไปที่อุเบกขาแล้วมันก็จะปล่อยค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคำถามเท่านี้ค่ะหนูปฏิบัติต่อ ทุกวันค่ะหลวงพ่อในตอนได้หนูติดโควิดตอนนั้นฉีดยาสองเข็มด้วยอ่ะฉีดฉีดแค่เข็มเดียวค่ะหลวงพ่อแค่เข็มเดียวแล้วมีอาการหนักไหมมีอาการไข้มีอาการอะไรนมันมันไม่หนักค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนร่างกายไม่เราไม่ค่อยมีแรงนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันตามที่ฉีดยาใหม่ๆหม่ป่ะคล้ายๆกันใช่ปะคล้ายๆค่ะมันดูแปลกๆนิดหน่อยค่ะก็เหมือนที่เคยกับไปหลวงพ่อว่ามันเหมือนแบบ ร่างกายมันแปลกๆแต่ว่าใจมันก็ไม่ได้ทุกข์นะคะที่บอกหลวงพ่อว่ามันเหมือนเรานอนรอความตายก็ก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นนะค่ะหลวงพ่อที่ใจก็พอทําอะไรได้อยู่ใช่ไหมทาอะไรได้ทําได้ปกติอ่ะค่ะหลวงพ่อมาแสดงว่ายาที่ฉีดก็มีมีพลังต้านใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อเป็นอาจจะเป็นเพราะยาด้วยอ่ะค่ะยาที่ฉีดไปอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ครบสองเข็มแล้วค่ะหลวงพ่อใช่ ก็ยังต้องรับน้ำมันระวังต่อไปนะเวลาออกไปข้างนอกก็งงงหงนักการหลงมแม่ค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคนนุณหลวงพ่อมากค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุค่ะคุณสุภากรนใช่สุภากรกลับบ้านแล้วเหรอกลับนมาตการค่ะพระอาจารย์ได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนเลยค่ะค่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> <ม>เออ คือจะจะมีคําถามค่ะผาาู้อาวุโสตอนกลางคืนนะคะ่ะที่หนูออกมาเดินเพื่อเหมือนเหมือนมาปลงนะคะ่ะผาาู้อาวุโสเ อ, อเราเราต้องพุโทโธในใจไหมคะหรือว่าเราใช้ใช้ทำข้อไหนที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีความกล้ากล้าไปเผชิญอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้อย่างได้อย่างไหอืแล้วแต่ว่าเราอยู่ยเราใช้อันไหนได้เราก็ใช้อันนั้น ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติมาก่อนใช้พุทโธมา่อน้พุทโธแต่ถ้าใช้ปัญญาได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ไม่ใช่เรามันจะตายมันก็ห้ามมันไม่ได้ไงหนูจะหนูจะใช้แบบอย่างงั้นนะคะหนูไม่ได้ท่องท่องแบบอะไรนะสอนใจให้รู้เลยว่าร่างกายไม่ใช่เรามันสมมุติมันสมมุติเราก็สมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ใช้แบบทําแบบอย่างนี้เตือนตัวที่เดินได้ใช่ไหมคะ คือทำให้ใจเราไม่กลัวกันแล้วกันอ้าใจเราไม่กลัวแสดงว่าเรามาถูกทามแลดับความกลัวได้มาเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคือหนูว่าลึกๆมันก็ยังมีความกลัวค่ะผู้อาจารย์แล้วก็เราก็ยังไม่ได้ไปเจออะไรค่ะมันก็เลย ม, มันยังวัดไม่ได้ อ, ดดอ่ถ้ก็ก็เตรียมซช้าไม่ปัดถ้ า, ถาต่อไปเราเดินปิดไฟดูว่ามันจะได้อ ไฟฉายนะคะพาดเดินเดินในที่เมื่ยไปเลยเแล้วเดี๋ยวมันจิตจิตมันก็จะหลอกเราเลยเจองูนะเหยียบงูนะเดี๋ยวดูงูกันนะอตอนนั้นเราเราจะได้บอกอาการกัดมันไม่มันไม่ได้กัดกลัวเท่าไหร่เป็นการร่างกายค่ย้อนให้มันกัดพอเราย้อนบางทีมันจะรู้ว่มันหายกลัวแล้ี่มันไม่กลัวจริงจริะ อันนี้มันก็ต้องไปฝึกหลายรอบเหมือนกันใช่ไหมคะหลายรอบแต่เราหลายรว่าเหมือนเหมือนเหมือนตอนกลัวผี่ะคะตอนนั้นก็ไปฝึกหลายครั้งมากค่ะกว่าจะรอดออกมาได้แต่ว่าตอนนั้นนะคะที่หนูหนูจําได้ว่าหนูตอนหนูเพิ่งรู้สึกว่าความกลัวผีเนี่ยมันมีน้อยลงไปเลยค่ะหนูลืมไปเลยค่ะว่าครั้งหนึ่งเคยเคยกลัวผีแบบจนจนความร้อนมันขึ้นหัวค่ะพ่อจ้าแล้วตอนนี้คือมันก็มันไม่ได้กลัวแบบนั้นแล้วมันไม่มันไม่ได้นึกถึงความกลัวผีแล้วค่ะ ใช่เพราะมันมันมั น, ม, นมันรู้จักวิธีปฏิบัติกรรมนันมันก็เลยไม่มีข้างบนนะค่ะแล้วตอนนั้นผ้าจาย์เคยถามหนูว่าคิดยังไงตอนนั้นหนูนึกไม่ออกและท้ายสุดมานั่งคิดทบทวนคือผ้าจาย์เคยให้ทําอะค่ะว่าผีจริงอ่ะไม่หลอกผีหลอกอ่ะไม่จริงแล้วหนูก็เอาตรงนั้นนะคะไปคิดคิดเออจริงๆเนาะผ้า จ, จานผีเขาก็ไม่ได้ว่างมานั่งแบบ มาหลอกเราอะคือเขาก็ไม่ได้ว่างเหมือนเราอะหนูว่าผีมันก็ไม่ได้ว่างเหมือนเรามานั่งจ้องหลอกเรามันค่ะแล้วก็ผีจริงๆก็พวกเออ่ยากเยอะเราเสียชีวิตไแล้วตายที่เสียชีวิตไแล้วก็ไม่เคยมานั่งหลอกเรามันก็เลยหายไปเลยค่ะตอนนี้ก็มาฝึกตรงนี้อ่าทีนี้ถ้าอาจารย์ตอนที่หนูเดินเดินหนูว่าหนูก็ระมัดระวังนะคะถ้าหนูเหยียบหอยทาถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นไร จริงๆแล้วหนูก็นั่นคิดเออมันก็มันก็สมมติ น, นะเราก็แต่หนูไม่รู้เหมือนกันแล้วมันใช้ได้ไหมในสถานการณ์อย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ไปดูเราเหยียก็ใช้ได้คราเหยียแล้วก็เสียใจใมีตอม่อกังวลห่วงใยอะไรไปก็เป็นได้เลยว่าเราเหยิยบเข้าได้แล้วก็จะถูกยอย่างไงกัดเต้าน่าเนกัน ใช่คะ่ะหนูคิดกับพระอาจารย์เลยค่ะว่า<ช>ต้องแฝงนะอะไรอย่างนี้ท<ช>ำไมเราเหยียด<ช>เขาได้แต่ทำไมเขาจะมาทํำเราไม่ได้หนูคิดแบบพระอาจารย์แบบนี้เลยคะ<ช>่ะพรอาจารย์<ช>แต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเราผิดศีลหรือเปล่ามันแบบข้อหนึ่งหรือเปล่าไม่มีเจตนาไม่ผิด ไ, ไม่มีการท้งใจจะทำได้เขาไม่ผิดค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วพอดีว่าตอนนั้นที่หนูไปปฏิบัติธรรมอะค่ะหนูจะไปหาพระอาจารย์แต่พอดีก็วันนั้นพระอาจารย์แบบมีมีงานเยอะมากค่ะก็คือเขาไม่ถึงพระอาจารย์วัน วันนั้นเหมือนมีงานถวายพระป่านะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ไปหาผ้าจางค่ะก็เลยไม่ไม่ได้ถามว่าจริงๆแล้วคือหนูสามารถไปไปไปเดินโปรงโปรงร่างกายแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะคือมันมันไม่ได้เกินกําลังหนูใช่ไหมคะหนูก็ก็อยู่ที่หนูลหนูต้องรู้ประมาณกําลังของหนูเองบางคนคิดว่าพอแต่พอไปเจอของจริงสติแตกก็มีวิ่งตลาดเปิดเปิงอะไรก็เย แล้วต้องดูกําลั ง, งเราว่าสติเราคุบใจยอยู่มไหมถ้าคุบใจยอยู่ก็ไปเลยก็ับไปเลยค่ะตอนเดินเดินหนูก็พยายามสังเกตดูนะคะพยายามดูจิตดูตัวเองว่าเป็นยังไงยังไงที่บอกว่าการปฏิบัติทางปัญญาเนี่ยมันต้องมีสมาธิก่อนมีสมาธิควบคุมใจให้ได้มาเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็าจะได้คุมมันอยู่เมื่อเดี๋ยวมันตื่นตะลุกตลอดเปิดเปิ่มไปเลย น, นี่คือสมาธิหนูยังไม่ถึงใช่ไหมคะอาจารย์ก็หนูก็ต้องไปทุกนึกก็หนูบอกว่าหนูทำํำจิตให้ว่างท่านนี้ทําให้มันวิ่งได้เนีเ่ยถาไม่พิสูจน<อ>์หรือว่ามันนิ่งได้เมเวลาไปเจอของน่ากลัวของที่เป็นอันตรายอันนี้คือต้องพิสูจน์ก่อนใช่ไหมคะถ้าไม่มาพิสูจน์ก็ไม่รู้่ การต้องต้องทําสมาธิให้มันเป็นให้มันนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วมันจะมั่นใจอันนี้คือก่อนจะไปเดินก็จะเดินด น, ด น, นั่งเดินนั่งสลับกันใช่ไหมคะก่อนจะไปเดินก็พยายามนั่งก่อนให้มันให้มันสงบได้ได้บ้างคะ่ะพระอาจารย์แต่มันยังรู้เลยคะ่ะว่าไปครั้งนี้มันไม่ได้นิ่งมากคะ่ะก็ได้แหละก็พยายาม ถ้าอย่างนั้นไม่ควรใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ควรไม่ควรใช่ไหมใจยังไม่พร้อม่็ยังไม่ทำยังไม่ต้องกลอ๋อค่ะค่ะดีค่ะพระอาจารย์กลัวกลัวว่าเดี๋ยวทําเกินกําลังก็ไม่ควรทําอยู่แต่ตรงเรือนปฏิบัติไปก่อนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ขยับต่อไปก็จะออกมาลงมาเดินครหน่อยก็ได้ค่ะดีไหม แล้วรู้สึกว่าจับลมหายใจยิ่งยากขึ้นไปอีกอย่างนี้เราควรจะเปลี่ยนฐานไหมคะหรือว่าฝืนๆเพ่งๆไปตอนตอนที่นั่งตอนที่นั่ง<ช>ลมาลมรู้สึกละเอียดขึ้นจังนันไม่ได้ค่ะมันมันยิ่งยากขึ้นยากขึ้นอย่างนี้นก็เป็นวลาได้เพราะว่ามันมันมันละเอียดลงไปให้รู้เฉยๆไปแล้วก็อยู่ที่จุดเดิมมันม<ต>่ที่จุดเดิมอย่าให้ใจไปคิดปรุงแต่ค่ะ มีเท่านี้ค่ะพระอาจรย์วุโสขอบคุณค่ะงงคุณนนท์นภูษ์จากกรุณเทพทำงานคุณนหมอสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์ครับกลับนมัสการพระอาจวรย์ครับมีอะไรไหมวันนี้อ๋อก็จะถามอาจารย์นิดหนึ่งครับพอดีอย่างเวลาเราทํางานเนี่ยครับอย่างเราอยู่ในสายเรียนโรงเรียนแพทย์วิชาการก็จะมี ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องตีพิมพ์ผลงานเยอะๆซึ่งบางทีมันก็เป็นการสร้างตัวอัตตาตัวตนขึ้นมาครับมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้ทําบาปแต่ว่ามันก็มีทุกข์อย่างที่หลวพระอาจารย์เคยมีในที่สอนเรื่องเรื่องของมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่เห็นคนเนี่ยป่าเราอยากให้พระอาจารย์สอนวิธีการวางและการปล่อยวางในในตัวนี้มันมันมันเป็นโลกธรรม เพราะวิจารโลกกระทำมันก็เจริญได้านก็เสื่อมได้เนี่ยนะครับไว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนเ่งก็มีที่คนที่เขาสูงกว่าเราคนที่เท่าเราแล้วคนที่เาต่ำกว่าเราครับอืมแต่มันก็เป็นเป็นเป็นของชั่วคราวนะครับอัน้ส่วเราดี๋ยวเวลาเราเสียนิยุบมันก็หมดความหมายไหมไปเป็นอะไรนก็ทั้งหมดไปครับอันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกลัวขวาย อย่างนี้เราควขานันควขายยศทางทางธรรมะดีกว่าควรขายการแต่งศาสนาบันณฑิตกีรติการมีอนาคามีดีกว่าดีกว่าไปคนขายเป็นเราศาสนาชาติเป็นศาสนาชาติหน่อยครับมันไม่ได้ทําให้จิตใจเรามีความสุขมีความสงบหรอครับก็เห็นว่าคคนพอได้ก็อยากเป็นต่อไปได้เลยขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับบางทีเกษียณแล้วก็ยังทํำไม่เลิก แล้วก็อยากให้คนเข้าเคารมเรานับถือเราแต่ตอนที่เราอยู่เราก็ยังต้องทําอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นหน้าที่ต้องทําก็ทำไปถ้าไมนเป็นหน้าที่หล่กเล่นได้ก็ไม่ต้องไปทำครับก็มีจุดที่ที่พอแล้วคร <LINKE, S 1> ับถ <St> so ้าถ้าคิดว่าทํางานเพื่อเลี้ยงปางเลี้ยงท้องนี่ก็พอครับไม่ได้ไม่ได้เพื่อทํายกยกให้เราสูงขึ้นด้วยคือตําแหน่งด้วยอะไร ครับมาทําเพื่อมีรายได้เพื่อที่เราจะได้มาเลี้ยตัวเราเลี้งครอบครัวเราแค่นี้ก็พอครับเวลามาปฏิบัติธรรมให้ใยญ่ขึ้นเวลามาทําปฏิบัติธรรมเพราะพงยุทธ์พงที่ยอไปไม่ได้ยุทธธรรมออกไปได้นะโซดาบันเพราะเป็นโซดาเป็นโซดาไปตลอดเกิดที่ไหนก็เป็นโซดาต่อครับมองมองให้ถูก ครับเอาของแท้ของจริงทัพย์ภายในมันเป็นทรัพย์ที่แท้จริงอริยทัพย์มีอริยทรัพย์ก็คือเนี้ยโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันติพานเนี่ยเป็นเป็นทัพย์ที่แท้จริงเป็นอริยทรัพย์ที่จะเป็นที่จะติดไปกับใจนะครับแต่ทรัพย์ภายนอกนี้เป็นเขาแค่แค่แค่พอพอตายไวก็จบเอาไปไม่ได้มสมมุติ งั้นถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องทํำกาอยากไปทําแต่ถ้าเราถูกบังคับอยู่ในสังคมแล้วเขาญาติยีให้เราต้องทําถ้าถ้ายังต้องอยู่กับเขาอยู่ก็ทําไปคแต่อย่าทำด้วยความอยากครับพราะบางทีก็รู้สึกสังเกตเหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้นั่นนะบางทีก็เอ๊ะมันก็เอ๊ะอยากเกิดตีเพมเพิ่ขึ้นอยากอะไรเพิ่มขึ้นมันก็มันก็รู้สึกแต่ตอนมันทำมันก็ เขาก็อยากให้ทํำเลยนะถ้าอยู่ในระบบแต่ว่ามันก็แต่อาจจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกว่าจุดมุ่งหมายชีวิตให้ถูกอพราะเราก็ต้องเสียเวลากับการทําเหล่านี้สิ่งเหล่านี้วิจัยทําอะไรต่างๆชื่อยมาวิจัยทางธรรมดีไหมการปฏิบัติธรรมก็เป็นการทําทําทําปริญญาอีกใบหนึ่งนะแต่เป็นเป็นปริญญาแบบไม่มี ไม่มีใครแจกเราแจกให้กับตัวเราเองไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วเป็นใจที่วางได่ทุกสิ่งแต่เป็นใจที่สุขใจที่สงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆครับคุณอาจารย์ครับถึงวินาทนี้นะท่นเองครับคุณบริคับคุณริสจะยายามรยน กับระมัสการเจ้าค่าะอาจารย์ค่ะ ไ, ไม่มีคำถามค่ะวันนี้มาปัน่นคำเจ้ า, าค่ะคุณวันได้เชิงเบาอรู่สู่โพธิใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในพิษใช่เจ้าค่ะอ า, าจารย์วันนี้มีลูกชายมากราบด้วยเจ้าค่ะกรา บ, บครับอ <c oughs> ป็นเรื่องดีนะครับสาธุค <c oughs> ่ะอย่าลืนะเชื่อฟังคุณแม่นะ มีแต่แผลเต็มตัวเลยค่ะอาจารย์โซนเนี่ยนจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคาถามเจ้าค่ะอาจารย์อากาศเฉยๆเจ้าค่ะระวังได้ไหมเนี่ยเด็กคนนี้วางได้ปะก็วางได้เจ้าค่ะวางได้ได้อยากได้ลูกปัดไปเจ้าค่ะไปอยากได้ลูกปัดขบครับเดี๋ยวไปซื้อนะเอ็นนัตติเกราวินตาบราวินตาไดแอสเท็กซัสออ เห็นเข้ามาหลายครั้งแต่ไม่ได้พูดใช่มคับที่แล้เข้ามาตั้นยังไม่ได้เปิดใหม่คุณประวิทยอ่นมิวส์อาจารย์ได้ยินนะครับได้ยินแล้วเห็นเข้ามาหลายครั้งแต่ไม่ได้พูดรครับอก็วันเมื่อวานนี้ก็ได้ไปฉีดเข็มสามมาเรียบร้อยแล้วครับอ่าเห็มสามไฟเซอร์เหมือนกันครับผมเขาฉีดแค่จุดสามเองครับ <3. S 2> น้อยมาก ไม่ไยังเป็นนั่งฉีดฉี ด, ฉดท่นพี่นะครับ<ด>ก็หกเดือนพอดีเขาก็ก็หมอประจำตัวเขาก็บอกว่าถึงเวลาฉีดแล้วก็ก็ฉีดแค่ป้องกันตัวเองไว้ทั้งสองคนครับก็ดีเป็นไปตามตามหลักการของของของทางการแพทย์ครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็นี่เพิ่งฉีดเมื่อวานนี้ตอนสองโมงครึ่งนี่ก็มันไม่มีไม่มีมันไม่มีปวดเมื่อยเหมือนกับ ฉีดยาแก้วัดเข็มเข็มเข็มก่อนเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วครับอาจจะพ่อปัลลัมามันน้อยด้วยหนึ่งในสามะครับมเขาเขาฉีดแค่ p o i n สามเองครับก็ดีขนาดเด็กเนี่ยรู้สึกตอนนี้เขาจะให้ฉีดให้เด็กอายุห้าปุ๊บฉีดประมาณหนึ่งในสามครับเขาก็ที่นี่ก็เหมือนกันครับเขาเริ่มห้าถึงสิบเอ็ดก็พอมีต้องยี่สิบแปดล้านคนก็ผมว่าก็ดีกับเด็กด้วยครับ ยังไงบ้างมีงคถามนะตอนนี้ก็ปฏิบัติธรรมก็ไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์แต่ว่ามีข้อหนึ่งที่ว่าคำว่าเจตนากับกับกับเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเนี่ยครับที่ที่พระอาจารย์บอกว่าไม่มีเจตนามันก็ไม่บาปอแบบว่าสมมุตินะครับพระอาจารย์แบบว่ามี intention ภาษาอังกฤษครับ intention แต่ว่าทำไปโดย accidentally ก็ไม่บาป อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมถึงบอกเอ้ยบางบางะครั้งมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีเจตนามันก็จะทําแต่ว่ามันต้องทําอ่ะคุณพระอาจารย์แต่ละคนไม่ม ok ีเจตนาที่จะขาว่าต้องทำคุแสดงว่ามันก็มีเจตนาว่ามันต้องทำอ่าเป็นมันมันตก็อันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจครับต้องต้องทําเพราะว่าในศพในในในจิตสมมตินะครับว่าอในสมัยที่ในอดีตที่ว่าผมมีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านไม่สามารถ ท่านปฏิวานปฏิญาณตัวเองว่าท่านจะไม่รับประทานอาหารชนิดหนึ่งแล้วเราเป็นลูกศิษย์แล้วเราไปช่วยดูแลการจัดอาหารอย่างเงี้ยครับแล้วเรา <S 2> <S 2> <S 2> เรารู้ว่าเป็นอาหารที่แสลงกับพระอาจารย์เราไม่สามารถที่จะถวายได้เนี่ยมันมันก็เป็นเจตนาอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเข้าถวายมาแล้วแต่เราไม่ให้พระอาจารย์เรารับท า, างเนี่ย ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ไม่ได้บาดตรงไหนเรื่องการรับประทานอาหารมนวันรับประทานอาหารฉนยิน้มด้นฉันไม่บาดอืมคือคือมันก็มีเจตนาคือว่าเขาเขาถวายมาแล้วแต่เรารู้ผ้าจารย์เราเนี่ยรับทานไม่ได้ก็มผมก็เอาไปวางที่อื่นโดยที่ไม่ให้ผ้าจานผมได้ฉันก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เสียนะเพราให้ท่านฉันนั้นก็ไม่ฉัน่ดีไห้ครับผมแต่ท่านก็คงรู้อยู่แล้วครับออ ก็ในนั้นก็ตอนสมัยนั้นก็ยังมีจิตใจบอกเอ้ยวันก็เป็น attention อันหนึ่งที่ว่าเอเรารู้ว่าพอาจารย์เราฉันไม่ได้แต่มีคนมาคนที่เขาไม่รู้เขามาถวายเราไม่ถวายท่านก็มันไม่เป็นการกระทำบาปใดเป็นการช่วยช่วยท่านเมื่อรู้ว่าท่านไม่ฉันก็ช่วยช่วยแยกออกไปให้ท่านจะได้ไม่ต้องมามามีภ า, มายมันเป็นภาะตอน อันนี้อันนับต่ น, น, น, น, น, นตสมัยนัดผมติดใจผมม า, มากว่เอ้ยเราเราทําติดหรือเปล่าเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาถวายแต่มันไม่สิ่งที่มันก็มีมันจะเป็นบบแบบว่ามันจะเป็นแบบแต่เมื่อว่าสิ่งที่เอามาถวายท่านได้ถ้าไม่ฉันแต่เราเราชอบเราอยากจะฉันแล้วเราอยากจะกินแล้วก็เลยแบ่ว่ามากินเองอย่างนี้ก็ถงอว่าเป็นการอันนั้นไม่ใช่ปัญหาก็เลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการขโมยนะเนี่ยขโมยอาจารย์มากิน ไ อ, อา่าว่าอาจารย์ไม่กินนก็ต้องไปถามอาจารย์ตรงนนะี้อาจารย์ไปถวายท่านก่อนแนละ้วให้ท่านเป็นคนตัดให้ท่านเป็นคนเลือกเอาเองแล้วเราถ้ากินทีหลังนี้อืมเราเราดีความนี้อันนี้เราเร า, เราสิสิทธิ์รู้ว่าสิทธิ์รู้ว่าท่านไปยีญาณตัวเองไม่อันนี้แต่ว่าในสมัยนั้นเรายังกิตยังไม่ยังไม่ไม่คล่องก็เลยก็เลยว่าเออมาถามพาใจจริงีดูว่า มันก็มีเชนชันแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามันใจกระทํำไม่ไม่ไม่เป็นการกระทําบาปมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรที่พูดถึงนี่หมายถึงมีเชนชันที่จะทําบาปเช่นศี่ห้าข้อเนี้ยมีความตั้งใจจะดึงชัวรายเงี้ยนี่ก็บาปอันนั้คอันนั้นอันนั้นก็ใจเขานะเข้ใจอันนั้นอันนั้นเป็นบัตปอยู่ก็อันเดียวที่ไม่ได้เป็นถ้าถ้าถ้าถูกเขาบังคับให้เดี๋ยวนี้ก็ไม่บาป เราไม่ได้มีความอยากก่างกเดิมแต่ถูกบังคับให้เดิมอย่าเงี้ยแบบแบบไปโทษอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าโอ้โทษให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรองี้แบบมันก็เป็นมันก็ไม่บาปเพราะเราไม่มีความตั้งใ จ, จเดิอืมเราไม่มีความอยากเดิมแต่เมื่อเมื่อไม่มีทางเลือกก็เดิอดไปอแต่อันนี้ก็อาจจะบาป ก, ก็ได้นะไม่รด้นะต่อ <laughs> ไม่ใช่เราอยากนะครับ <laughs> ก็ไม่มีอะไรครับหลวงพ่อก็มารับฟังแล้วก็ได้ธรรมะจากพระอาจารย์หลวงพ่อหลายครั้งในเรื่องความอดทนเอ้เราฟังพระอาจารย์แล้วก็โอ้นี่ไงความอดทนเราจังขายอีกเยอะก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างเนี้ครับได้ทําต่อไปนะครับผมผมอนุโมทนาครับไปที่คุณนภัสต์คุณนพัสอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่พันใหญ่ค่ะพันใหญ่มีอะไรไหม ก็ครั้งที่แล้วที่ปรึกษาพระอาจารย์เรื่องคุณพ่อค่ะแล้วก็ผ่านวันเกิดแกก็เลยเอาดอกไม้ไปไหว้ขอขมาแล้วก็เหมือนพอท่าอายุเยอะแล้วแล้มีโรคแล้วเหมือนสังขารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แกก็มีพูดออกมาสองสาครั้งว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแต่ว่าเหมือนตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันเรายังอยากมีชีวิตอยู่ยังมีอะไรหลายอย่างที่เรา เราคิดว่าทำได้อะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นก็คิดในใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบท่านไปยังไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสังขารในในแบบที่ท่านเจออย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากถามว่าเหมือนในมุมมองพระอาจารย์คือควรจะพูดกับเขายังไงดีหรือควรตอบยังไงคือบางทีพ่อเขาพูดเพื่อเพื่อทดสอบใจเราว่าอยากจะให้ท่านอยู่ตอ่ออปั่เพราะท่านอยากให้ท่านอยู่ล้วก็ต้องดูแลท่าน นก็เหมือนว่าพทเจ้าที่ท่านพูดกับพ้าอนุนว่าอนุนเราท่านจะให้เราอยู่ต่อไปแล้วก็อยู่ได้นะเรามีพลังจิตที่จะยืดต่ออายุได้ได้ก็บูดท่านนี้อนินก็ไม่เข้าใจความหมายความหมายก็คือถ้าอนุนอยากให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อก็ต้องอนนาธนาไว้ท่านอยู่มานานๆนะผมจะดูแลรับใช้ท่านอย่างเต็มที่อือันนี้พ่อเขาอาจจะเราใจเราด้วยว่าเรายินดีที่จะดูแลพ่อเป็น ต่อไปแล้วหรอแล้วจะอยู่ไปทําไมหนูว่าเราบอกว่าอยู่เป็นเม่นขวันของรุล át, ร centimet, ูกๆหลานๆหนูจะดูแลพ่ออยากเต็มที่อย่างนี้ท่านคือเขาไม่อยากจะอยู่เพื่อมาเป็นภารากับดาวไหนอะไรแบบนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่ได้อยากจะตายนะไม่อยากจะอยู่อะไรแต่เขาไม่อยากจะอยู่แล้วเป็นภารากับคนอื่นแต่พวกลูกๆที่ท่านคอยเลี้ยงดูท่านเวลาที่ท่านช่วยตัวเองไม่ได้ เราก็ต้องบอกว่าอยู่ไปเทินอยู่ไป น, นานอยู่กับลูกให้มีเป็นนิ่งขวัญกับลูกแล้วลูกจะดูแลค่ อ, อยแบบที่ท่ า, าจารนี้เขาก็จะอยู่ต่อเขาก็จะมีกําลังใจที่จอ่ต่อแต่ถ้าเราเฉยทนเป็นเฉยเฉยก็ไปก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็คิดเราไม่รู้ว่าจะตอบบ <c oughs> ้านไหนดีก็ไม่เป็นวันนี้ก็ไปตอบที่หลังกันด้เดี๋ยวเจอพ่อบพ่ออยู่ไป น, นานนะหรือยัง เราอยากให้พ่ออยู่เป็ น, เ, ปนเพื่อนเป็นอะไรให้กำลังใจกับพวกมึงค่ะแล้วก็มีคำถามค่ะพาอาจารย์มันกับพอรู้สึพคนรอบข้างเนี้ยค่ะมีทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งตายไปอะไรเงี้ยค่ะที่ที่สนิทชิดเชื้อนะคะแล้วเหมือนช่วงหลังเราก็มีความรู้สึกเฉยเฉยอะค่ะมันกับไม่ได้เศร้าไม่ได้คือมองเป็นเรื่องเฉยเฉยมากเนี่ยค่ะรอาจารย์เดย ไม่แน่ใจว่าเหมือนเราขัดมันเป็นปกระถูกแล้วไหมหรือว่าเราขาดเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์กับไม่หรอกเฉยได้อันดีที่สุดเพราะว่าไปวุ่นวายไปร้องผมงอแงตีโพดีปายมันจะเป็นเกิดอะไรขึ้นก่อแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงกัาเกินก็แบบมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็ไปทําให้เราทุกขวุ่นวายจากิดปว่านอกจากเราจะเสียแซงแสดงเพื่อให้คนอื่นเขเห็นว่าโอ้ยเรา เราลักเราห่วงเขาเราไม่อยากให้เขาไปอันนี้ก็เป็นการแสดงเป็นการแสดงเพาอยากหรือไม่อยากเขาก็ต้องไปอยู่ดีใช่ไหมค่ะค่ะงนสำหรับใจของเราเฉยได้น่ะดีที่สุ ด, ดกับทุกเหตุการณ์เลยเขาด่าเราก็เฉยได้แบบนี้เฉยได้เราสบายเ้าเขาด่าแล้วเรากโกรธนี่เราก็เสียใจยนี่มันแคทุกข์นี่า เหมือนพอคุยกับพระอาจารย์ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะพอคุณพ่อด่ามาอย่างเงี้ยก็รู้สึกยิ่มรู้สึกเฉยเฉยมากพยายามทำใจให้เฉยกับทุกกรณีไหมค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะมจฉนี่นะค่ะหมดแล้ว ค, ค่ะ <c oughs> คนอริยาเ่ยอริยาเชิน้าชื่อปิดนขอไปเรยตัวห ่กับผู้อาจารย์ค่ะขออภัยค่ะอยู่ที่ไหนจ้าที่เชียงใหม่ค่ะมีคําถามไหมค่ะคือตอนนี้หนูนั่งสมาธิค่ะแล้วก็มันมันไปถึงขั้นที่ว่าอ่ามันเหมือนมีไม่ใช่ไฟฉายเป็นแสงสว่างเข้ามาที่ใบหน้าค่ะผู้อาวุโสแล้วหลังจากนั้นหนูหนูคิดว่าหนูห น, ห น, หนูต้องทํายังไงต่อค่ะผู้ <S <S อาจวุโสแนะนํา ก็นถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็ต่อไปมันยังไม่ถึงสุดสุดทางต้องเดินทางต่อไปอ๋ อ, อต้องอนนเดินทางต้องต้องนั่งต่อไปต้องเราพุโทโธต่อไปแล้ว ด, ดูลมหายใจต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวไฟนะั้นมันก็จะหายไปมันต้องไหลเข้าไปสุดใจที่นิ่งที่สงบที่ว่าค่ะถ้ายังไม<อ>่นิ่งไม่สงบไม่ว่างก็ดูลมต่อไปค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามัน เหมือนมั น, มนความมันมืดมันมืดมาแล้วแล้วรัวเรามันดิ่งลงดิ่งลงแล้วก็มาดูกายเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ต้องไปสนใช่ไหมเราดูอะไรก็ดูอย่างนั้นต่อดูล้มก็ดูลงต่อไปอ๋อค่ะไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรกากฏขึ okay. Okay. ้นมาค่ะก็จนกว่ามันจะนิ่งวอนมันนิ่งหน้าที่มันก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉ <Okay. S 2> ยๆมควา <Okay. S 2> อย่างที่หนูบอกพระอาจารย์คะที่แล้วที่หนูห น, นั่งหนูนั่งแล้วหนูเจอ เจอดีเจอของดีหนูก็เลยตะลึงของดีก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันแค่เป็นของมันเป็นมายามันเป็นของปลอมทั้งนั้นเขาหรอกเข้ามาแบบดุร้ายเลยก็รู้เฉยๆไปถ้าทําอะไรเราไม่ได้ค่ะอ่าก็นั่งเฉยๆดูกายไปนะคะดูกายดูลงไปถ้าดูลงไปแล้วพุทโธไปก็ได้ค่ะไม่ต้องไปตื่เต้นตกใจ ค่ะจะพายายามต่อไ ป, เ, ป, เ, ปเหมือนดูเหมือนเหมือนกำังดูหนังผีอย่างเงี้ยผีมไม่ไม่ออกมาจากนอกจอค่ะใช่ค่ะขอบขอบขอคุณพ่าอาจารย์มากมา ก, มากนะคะหนูจะปฏิบัติต่อไปค่ะ่สาธุได้คุณพัทลักษณ์และอกได้พูดอย่างเมื่อกคุณพัทลัณ์พอได้พูดแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องตอบแล้วนะเนี่ยอาจยนี่กายพิษ คนใจใจพิษนะใจพิษพอดเรืเ่ริกันกลับาจากมหกรรมพรอาจารย์ครับเมือ่อเมืม่อวันเมื่อวันคุณฤหัสเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนไบ เ, เซอร์มาม เ, เข็มสามผมฉีดไปสี่เข็มแล้วครับอาจารย์ครับสี่แล้วไม่กลัวมากเกินไปนะพอดีพอดีเมื่อมิถุนาไปฉีดชิโนแวกมาสองเข็มแล้วนะครับที่เมืองอไทยครับอาจารย์แล้วก็ เออก็เลยตัดสินใจว่าภรรยาบอกว่าเพราะผมจะไปยุโรปด้วยปีหน้าเพราะว่าชิโนแวกเขาไม่รับรองกันก็เลยเอ้าวก็ฉีดฉีดไปมันก็จะได้เวลาเวลาผ่านไปไปไหนอย่างอย่างที่อเมริกาเขาก็จะขอดูการ์ดว่าเราฉีดครบไหมแล้วชิโนแวกเขาก็ไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยอ่าฉีดฉดไปมันจะได้จบจบไปครับจะไม่เป็นภาระครับครับไปไหนไปไหนมาไหนเสนอ ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับก็ก็ก <c oughs> อยากจะอยากจะสอบถามพระอาจารย์ครับก็คือตอนตอนผมอยู่เมืองไทยก็ได้ปฏิบัติค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าพอมาอยู่ที่เมกามันต้องมาดูแลครอบครัวเพราะภรรยาและลูกอยู่ที่นี่กันเราก็มาช่วยครับก็ก็ไม่อยากปฏิบัติให้มันเยอะจนกทั่งเขาอึดอัดอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์ก็เคยเคยฟังคําสอนจากพระอาจารย์อยู่ครับแต่ว่าทีนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก็มีความตั้งใจแล้วก็ที่ที่ฟังจากพระอาจารย์ก็คือเอราอย่าไปคิดว่าว่ามันเป็นภาระจริงๆอะไรเงี้ยครับก็พยายามทําใจอยู่ครับเพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีภรรยาที่สวยมีลูกที่น่ารักแล้วก็ถูกวางตัวให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านก็ยังวางภาระพวกนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะ อยากจะเดินตามท่านว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเออ่กลับไปก็จะพยายามปฏิบัติเหมือนเหมือนเหมือนเราเข้าโรงเรียนนะครับก็คืออยากจะทำแปดชั่วโมงอย่างเนี้ยครับในแต่ละวันว่าอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเข้าโรงเรียนนะครับพระอาจารย์ครับก็อยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับว่าว่าว่าว่าควรจะคิดประมาณยังไงครับก็ทำถ้าที่เราทำได้ในกรอบของ ควเป็นอยู่ของเราตอนนี้ทําได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นไปก่อนจนกว่าเรามีมีมีธรรมะมากขึ้นมันก็จะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปเองครันก็มันก็ปรับไปอันนี้ก็ทําเท่าที่เราทําได้ครับครับผมได้ครับใช่ครับอาจารย์ครับงั้นงั้นไม่มีคําถามแล้วครับสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับเมืองไทยแล้วครับอาจารย์ครับ ครับครับกลับนามสการครับขอบคุณครับเดินทางไปปลอดภัยนะครับขอบคุณครับสถูกครับมาด้วยาด้วยกบนามสกันครับหลวงพ่อถามว่าเออคนคนดีผีคุ้มหมายถึงยังไงครับหลวงพ่อแมมันถามเราทุกอย่างเลยไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดตอบไม่ได้ อแล้วก็เรื่องที่หลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิอย่าไปกลัวตายแล้วคนที่มันฆ่าตัวตายคือเขาไม่ได้กลัวตายแต่เขากลัวคือกลัวผิดหวังในชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อเราไม่รู้แหละว่าเขาไม่กลัวตายแต่ว่าเขากลัวทุกข์ที่เ ข, าเออข้าใจอตอนนั้นก็เลยเนึ่นเนิ่นขัดตายอะไรยนึ่ น, ข น, ขนเขาไม่อยากจะอยู่เพราะเขาทน อ, อยู่ต่อไปไม่ได้เขากลัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น เขาก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตาเป็นทางออกเป็นทางที่ดับความทุกข์ดังนั้นแสดงว่าเข้าหลงนะครับเห็นปิดเป็นกลางถ้าส th ําหรับนักปฏิบัติคือต้องไม่กลัวทุกข์ด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อหรือว่ายังไงหรือเข้าใจทุกข์ใช่ไหมครับก็ต้องรู้ว่าการปฏิบัตินี้มันจะต้องสู้กับความทุกข์ ความทุกขเวาต้องการที่จะมามาดับความทุกมันก็เหมือนกับการไปจับงูเพื่อจะมาทําวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องเจองูอ่แล้วต้องการดับทุกข์เรก็ต้องเจอความทุกมันพื่จะดับมันได้ถ้ากลัวทุกข์ก็เราก็าาจะปฏิบัติไม่ได้ อย่าไปกลัวทุกอยอย่าไปกลัวความทุกข์ยากลาบากครับไม่ไม่กลัวทุกคือเผชิญหน้ามันไม่ไม่หนีมันแต่ว่าเผชิญหน้ามันอย่างนี้ถ้าหนีมันก็ไม่มีวันชนะอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อคือมันมีทุกสองทางทุกทางร่างกายกับทุกทางใจที่เราปฏิบัตินี้เพื่อต้องการจะดับความทุกทางใจแต่การจะดับความทุกทางใจได้นี้เราต้องผ่านความทุกทางร่างกาย เป็นอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบไม่สมบูรณ์เหมือนกับเป็นค า, าวาวานเวลาไปโดูเนี้กินวันละมือ้ออยู่แบบตามมีตามเกิดอะไรอย่างงี้นี้ถ้าถ้ากลัวทุกข์ทางกายก็จะไปปฏิบัติทำเพื่อดับความ ท, ทากขไม่ว่ายไม่ได้ด้วยต้องไม่ต้องกลัวความทุกข์ยากลำบากทางกายออครับแล้วก็คํำถามสุดท้ายครับหลวงพ่อ เออข้อหนึ่งในมงคล88คือไม่ครบคนไม่ดีแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงผมนะครับพูดถึงเห็นเพื่อนบางคนพ่อแม่ของเขาสอนให้ลูกทําผิดสี่ห้าอะไรแบบนี้พ่อแม่เป็นอเสังเป็นคนพานซะแล้วแต่ว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่มันเหมือนขัดแย้งกันเองมันจะเป็นยังมันยังไงอะ่ะครับหลวงพ่ อ, อไม่ขัดถ้าคําสอนขอ ง, ง, วงว่าแม่ขัดคำหลักคําหลักธรรมก็ไม่ต้องทำตามครับถ้าพ่อแม่บอกให้ไแบบปขโมยไปโกงนี่เราไม่ต้องทำตาม ไม่ผิดการไม่ทาตามนะผิดก็ดูการกระทําเป็นหลักว่าการกระทํานี้ถูกหรือไม่ถูกคือศีลหรือไม่ผิดศีลถึงแม่พ่อแม่จะเป็นคนสั่งให้สอนก็ตามก็ไม่ทําตามครับแต่ไม่ต้องไปเถียว่าแม่ไม่ไปว่าพ่อแม่ไม่ต้องไปสอนพ่อแม่เราดูของเราก็พอก็มันก็โชคดีที่ผมพ่อแม่ แล้เรางทีเราไปเกิดในารอบครัวที้เขาเขาเขาต้องเชือดไก่ขายเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะสอนให้เราเชื่อถ้าเรารู้ว่ามันบาปเราไม่ทำสักอย่างเขาก็บังครับเราไม่ได้เดี๋ยวมันอาจจะทุกตีเราแต่ถ้าเราต้องการจะรักษาศีลรักษาความดีเราก็ต้องยอมทนยอมให้กขาทุบยอมให้กขาตียอมให้ก็ด่าเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเอง ก็ข้อหนึ่งนะครับห้ามพบคนพาแต่คนพานเป็นพ่อเป็นแม่โอ้โหมันก็เปนก็เป็นโชคไม่ดีคะก็เป็นโชคไม่ดีของเราก็ไม่เป็นไรพอเราโตขึ้นเราได้แยกทางได้ก็ทนอยู่แค่อายุแค่ยี่สิบปีอะไรอนี้นนีพูดถึงเพื่อนนะครับถึงผมเองว่าพ่อแม่ผมพาผมเข้าขาหลวงพ่ออันนี้ดีครับก็วันนี้ฝากพี่หลาไปทอนะ ก็อาทิตย์หน้าวันเกิดหลวงพ่อกแล้วครับเร็วมากเลยครับเดี๋ยวจะมาแสดงมุธิตาจิตโอเคล่ออยยงเมันเกิดก็คือวันตายนั่นแหละอย่าไปฉลองคนคนคนจะหลานก็ฉลองมันไม่เก okay. ิดมันโง่จะลองมันเกิดอะไรนะวันเกิดก็เท่ากับวันตายเอเท่ากับบีก็เก kind of ิดแล้วมันก็ต okay. ้องตายเน้นต้องฉลองมันไม่เกิด โม่อเกิดแล้วมันจะเป็นตายสาธกครับก็ขอให้ผมได้ปฏจบับิตามหลวงพ่อให้ได้ทำทีท่หลวงพ่อเหนื่อยยากต่อลูกหลานขอให้ผมได้ทำนั้นด้วยเถิดสาธุสาธุนะคนกันละกันตัฐานนะใช่ไหม อ, อ่านน้ำบาสมาชื่อยาวเปยมก่อนปลี่ยใหม่ก่อนี่น น, น, น้อยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะอยู่ชีค่ะ อ, อย่นั้นเองมีอะไรไหมค่ะจะกาเป็นถามพระอาจารย์นะคะว่าถ้าเราหลังเรานั่งสมาธิเนี่ยค่ะแต่ว่าเราชอบเหมือนจิตเราชอบคิดมากคิดตรงสร้างแบบนี้ค่ะคือเราควรจะนั่งนั่งกรรมาฐานเนี่ยค่ะคือกองไหนถึงจะดีที่สุดคะหรือว่าแล้วแต่เราคะก็ถ้ามันมันคิดมากๆก็ใช้กรรมริกรรมหรือใช้การสวมดมนต์ไปก่อนดีกว่า มันจะได้มันจะได้ทําให้ความคิดต่างๆมันเบาบางลงแล้วก็เป็นเบาบางลงไม่คิดมากแล้วก็มาดูลมต่อดูลมหายใจต่อใ<า>นเรื่องต้นงานก็ต้องอัดส่วนมนไปก่นนอนสวดอิติปิโสเวลาล้าจบแล้วกงท่นานความคิดต่างๆมันเบาบางลงพอมาดูลมหายใจได้ก็มาดูลมต่อทกวันนี้ก็คือสวดมนต์ค่ะ แล้วก็แต่ว่าเวลานั่งสมาธิเฉยก็เวลานั่งสมาธิอะไรก็จะเป็นคือแบบว่าบางทีพอนั่งแป๊บเดียวหรือดูลงเนี้ยค่ะบางทีบางทีางทหาจะจเข้าพุทออกกลงที่จิตะะมันเครียดอะค่ะมันเครียดมัสวดมันต่อเลยสวดแทนอ๋อค่ะสวดก็ไม่ต้องนั่งเพราะต้องไม่ต้องนั่งพลมนั่งในท่าสมาธิแล้วก็ไม่ตั่งสวดออกเสียงสวดในภายในใจแทนค่ ะ, คะแล้วขอ กืถ้าทำอย่างนี้ไปเลือกแต่ไม่มีแต่ไม่ไม่แต่ไม่มีว่าเราต้องทําอย่างไหนถึงจะดีที่สุดอยู่ที่จริตของเราที่คือเราทำอะไรแล้วเราสบายตัวมันใช่ไหมคะชัวรหนึ่งแล้วก็อยู่ที่สภาพจิตของเราว่ามันฟุ้งหรือไม่ฟุ้งถ้ามันไม่ฟุ้งดูล่มได้ก็ดูล่มไปถ้ามันดูลมไม่ได้มันกล้ามาส่วนบนไปก่อดูร่มยังไงถึงว่าดูรมเฉยๆโดยที่ไม่ต้องพอนะักเข้าพุทออโธใช่ไหมคะไม่ต้องพอนะพุโทโดูเฉยๆดูว่ามันเข้ามันออก อยู่ที่ปลายจมูกจออยู่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกไม่ต้องให้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกมันออกมันเข้าตรงนั้นให้ลมตรงนั้นคข้าไปน้องคะน้องขออยากถามนะ ค, คะพระอาจารย์แล้วถ้าถ้าเราอ่าอย่างคนท่าถ้าเราถือศีลห้าไม่สมบูรณ์เนี่ยคะ่ะการปฏิบัติสมาธินี่มันทําให้ก้าวหน้าได้ไหมคะได้ได้จะได้ไม่มากถ้าแบบถ้าเรามัสมบูรณ์ เพรามันก็จะมีมีนิวรณ์มีความไม่ตอบกังวลขมั บ, บ ท, ที่เราทํามันจะมาทำให้จิตเรากัางวลแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ครบนี้มันก็จะไม่มีอะไรเรียกมาให้เราขัางวลใจมันก็จะทําให้นั่งสมาธิได้ง่ายกว่าเจ้าค่ะแต่จะสงบไม่สงบนี่ไม่ได้อยู่ที่ศีลอยู่ที่สติมีแต่ศีลช่วยป้องกันความวุ่นวายใจตัดความวุ่นวายใจให้น้อยลงไป แต่ถารักษาศีลแล้วไม่มีสตินั่งไงก็ไม่ไม่มี้วสงบได้ความไปสงบอยู่ที่สติหนูก็ควบคุมความคิดได้หรือเปล่าต้องมีสติไปบิดความคิดให้ได้ใช้การสวดมนต์หยุดไปก่อนก็ได้แล้วก็มาใช้การดูลมหายใจต่อเจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะคือหนูเวลาหนูสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยค่ะอย่างหนึ่งคือเวลาที่หนูสวดมนต์ไหว้พระหรือหนูมองพุทรูปเนี่ยค่ะ บางครั้งหนูชอบเหมือนปรามากพุทรลูกในใจอะค่ะตรงนี้ค่ะอย่าไปมองนะนหน้าม่าหลับตาเวยไปเลยนะแล้วั็เวลาเวลาปรามากบแล้วก็ปรามากบุุษที่เก่งที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้าเราเรามีอะไรเราไปปรามากท่านเราเก่งกว่าท่านหรือเปล่าเราดีกว่าท่านหรือเปล่าต้องกลับมาด่าตัวเราบ้างแล้วมึงเป็นยังไงไปว่าเขานั่นมึงมาเป็นยังไง ค่ะแต่บางทีมันความสุขว่ามันมาคับจิตตัวเองไม่ได้อะคะท่านถ้าคุยกับมันไงถ้าคุยกับมันปาล์มจะด่ากันแล้วถามแล้วแล้วตัวมันเป็นยังไงนดีกับเขาบ้างป่ะก็ค่ะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นชาติที่เกิดจากอกุศลสัญญาในชาติที่ติดมาของเราใช่ใช่มันชอบปามามอะไรต่างขนาจะอีกเช้าที่ยคนที่เขาเก่งเราต้องไเช่าไปปามามเขาไปละก็ค่ะ แต่ว่าต้องด่ามันเลยไม่ต้องไม่ต้องด่ามันไม่บาปด่ามมันแรงๆแล้วมึงก็ไปยังไงมึงวิเศษวิโสหนะกมึงมีอะไรวิเศษจึงไปด่าคนอย่างพระพุทธเจ้าได้บะยังไงมาลองทําึงจะเสือซักฟังมันทำไม่กล้าปราบ้านแนะตอเบก็จีนถ้าเรามันเรามันเหมือนหมาหมาไม่เห่าเหากับคนวิเศษมันมันได้เรื่องอะไร อาจะเข้าใจนะหายไปแล้วเหรอหายไปแล้วก็ไปที่ท่านต่อไปคุณธนรัตนอ่หมืนแ้วใช่ไคุณการณฐานค่ะค่ะโไปที่คุณธนรัตต่อธนรัอยู่ที่ไหนอ่นมิไมครโอนก่อนอยู่ที่ไหนการรับสการับหลวงพ่อครับ ออยู่ที่ไหนผมอยู่ลังสิตปทุมธา น, นีครับผมมีคําถามไหมคือวันนี้วันเป็นวันแรกครับที่ผมได้อ่ามาเข้ามาฟังป้าจาย์ครับคือผมไปเจอรุ่นพี่ท่านหนึ่งคือเป็นรุ่นพี่ที่ปั่นจักรยานด้วยกันคือผมมามีปัญหาทางแบบทุกข์มาก เขาก็เลยแนะนําให้มาฟังพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีคําถามที่จะมาถามอะไรคือวันนี้คือผมได้เข้ามาฟังผมก็ดีใจแล้วครับผมเวลามีความทุกข์ก็ใช้ท่าพุทโธไปก่อนก็ได้หยุดคิดแล้วงความทุกข์ก็จะหายไปชัว่วคราวครับผมดีใจมากเลยที่ได้ได้ได้คุยกับพระอาจารย์ครับเค okay. มีทางนี้นะมันนีค่คนสปาร์ตาตอนสปาร์ตาจากดัลลัสเท็กซัสอเมริกาามน้อมาสการพระอาจารย์เจ้า ค, ค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้อ๋อมีคำถามฝากถามเหมือนเดิมเจ้าค่ะถามเลยถามมาเลยถ า, ถามว่าคือคำถามที่หนึ่งต้นกำเนิดตัวเราอยู่ที่ไหนไม่มีต้นหรอพร ะ, ะเจ้าเคยไล่ลงไปแล้วมันไม่มีต้นมัน มันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานานๆแล้วก็เ hey? ป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไม่จําเป็นที่ว่างรู้สิ่งที่เราต้องรู้แค่รู้ว่าต้นกาเนิดของความทุกข์เกิดจากอะไรเขาบอกต้นกำเนิดของความเรื่องของพวกเราเกิดจากความอยากเกิดจากที่เหลืตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้เมื่ออยากมีนี่ด้วยความอยากไม่ต้องไม่ตามอยากไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้ มีความอยากเสษรูปเสียงกิดต้นแต่ตัวนี้แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเราตัดมันได้แล้วเราก็จะไม่มีทุกข์แล้วค่ะไม่ต้อไม่ต้องไปรู้เาขั้นต้นกําเนิดของเราอยู่ไหนพราะพระเจ้าใครเคยอยากจะรู้แล้วก็ย้อนชาติไปพราะพระเจ้าเรารลืกชาติได้ร้อยย้อนไปกี่ร้อยพันชาติมันก็ยังไม่เจอต้นกําเนิดที่ส <c oughs> ุดไม่อาจจะเป็นวงกลมก็ได้ไม่ ไ, ไม้ว <c oughs> งกลมมีมีจุดเริ่มต้นหรือเปล่ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอรู้หาวิธีดับทุกข์ดีกว่าอย่าไปเสียเวลาไปหาคำที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเจ้าค่ะคำถามที่สองขอความชัดเจนเรื่องว่าตัวตัวเราคือใครคืออะไรเจ้าค่ะตัวเราคือเขาเรียกมายาผลิตขึ้นมาโดใจเป็นตัวเป็นเป็นสมมุติอะเราสมมุติขึ้นมาด้วยความคิดของเราเอง E, สราสมมว่ามีเราเราเป็นเราความจริงเรามันเพียงแต่ตัวรู้โดยที่รับรู้เรื่องราวต่างๆนี่ก็คือเราแต่มันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นตัวรู้แล้วเราก็มานั่งคิดว่าตัวรู้นี่เป็นเราความ<ก>คิดมันคิดผลิดขึ้นมาเพ่างค <Ms. S 1> ว่าเราเนี่ยมันเกิดจากความคิด<ๆ>เป็นคอนเซ็ปต์ะเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นความจริงความจิไม่มีเราไม่ ตัวรู้อย่างเดียวตัวรู้ร่างกายก็ไม่ใช่เราแต่เราก็ไปยึดไปหลงไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นคนโบราณก็ไปคิดว่าโลกที่แบบนี่แต่มันไม่ใช่เป็นความจริงใช่ไหมต้องให้คนฉลาดเราบอกว่าไอ้โลกที่มันตรงนั้นมันไม่แบนหรอกต้องให้คนฉลาดอย่างพระเจ้าบอกร่างกายไม่ใช่เรานะใจก็ไม่ใช่เราเราไม่มีไม่มีเราในในในโลกนี้ไม่มีเราไปสมมุติขึ้นมาเอง นะคะนะคะแลวคำถามที่ต่อมานะคะคือคือพอดีมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณ พ, พ่อสงสัยว่าทำไมตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้ยินแต่แต่พระให้สอนเรื่องทาบุญทาทานอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะแต่ว่าไม่เคยได้ยินคือคือเพิ่งมาได้ยินแบบ แบบตอนนี้คุณพ่ออายุแปดสิบแล้วอ่ะคุณพ่อบอกเพิ่งไม่ได้ยินว่าสอนเรื่องเข้าถึงนิพานได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าทําไมแบบส่วนใหญ่สอนเรื่องตํ บ, บุญอทานก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเพื่อเป้าหมายคือนิพานนะเจ้าค่ะอ๋อ ก, ก็พาก็เหมือนเหมือนอาจารย์เป็นครูครูก็มีหลายระดับระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับปริญญาเราไปเจอส่วนใหญ่ไปเจอครูระดับอนุบาล กรสานให้ทําบุญเนี่ยไหวจากถวายก็ะถิ่สร้างโบสถ์สร้างดีๆไป <c oughs> ไม่เคยไปเจออาจารย์ระดับปริญญาก็เลยไม่รู้ได <c oughs> <c oughs> <ต>้ค่ะแล้วค่ะยุคนี้นสมัยนี้มีการเาผยแพร่อาจารย์ระดับปริญญาเ น, นี่ยหลวงปู่ม่านมาเ น, นี่ยพระอาจารย์ม่านมาเนี่ยอะไรอะ <c oughs> ไรเริ่มมีความรู้รรรรรรรจัก ได้อย่างหนึ่งมันก็ไม่อยู่ในอยู่ในพระทัยมีด ก, กแต่คนไทยแล้วขี้เกียจเรียนกันนั่นเองไม่เรียนกันเี่ป็นชาวพุทธแต่ไม่ใครรู้ว่าพระตัยมีดสอนอะไรบ้างมีขอสูตรอะไรบ้างไม่ไม่ไม่เคยศึกษาเพราะคว่าเป็นหน้าที่ของพระใช่หมไม่ใช่หน้าที่ของโยมพระก็ไม่ศึกษาถ้าก็อยากเอาแต่สอนให้โยมทาําบุญอย่างนี้อ <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะใช่เจงค่ะทีนี้เรเป็นคําถามสของของลูกเองแล้วค่ะคือลูกอ่านอ่าท่องสติปัฏฐ า, านสูตรทีนี้งงคือคําว่าส่วนของจิตแล้วค่ะคะําเนี้แบบท่องเท่าไหร่ก็ยั ง, งงงงอยู่แบอบกว่าจิตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเงนี้แล้วค่ะคือจิต ม, มยยีจิตอื่นจิ่งกว่ายระดับจิต จิตที่มีระดับสีสูงกว่าสีก็คือสมาธิสูงกสมาธิก็คือปัญญาเป็นระดับต่างๆอ๋อเป็นระดับของจิตระดับของจิตจว่าจิตจิตเข้าถึงระดับไหนเรื่มต้นก็เข้าระดับทานก่อนคนที่ไม่เคยทําบุญทํำทานเข้ามาหัดทําบุญทําทานครับจิตช่ได้เข้าสู่ระดับทานสูงกว่าทานก็คือสีสีหน้าสูงกว่าสีหน้าคือสีแปดสีสองร้อยยี่สิบเจ็ด สูงภาษีน้อยเจ็ดก็คือสมาธิชาตขั้นต่างๆสูงสูงกว่าสูงกว่านั้นก็ขั้นปัญญาสูงว่าขั้นปัญญาคือวินมุตเตยิพานไปแล้วก็เราก็ดูว่าสิตของเราสูงถึงขั้นสูงส่วนหรืยังยังไม่ถึงขั้นสูงส่วก็ต้องปฏิบัติต่อไปให้มันถึงขั้นสูงส่วนให้ได้แล้วค่ะ ว่าจิตเป็นมหาเอ่าจิตเป็นมหาลคดนี่คือจิตอยู่ในฌานที่เป็นพรมใช่ไหมเจ้าคะถ้าอยู่ในฌานก็ถือว่าเป็นอยู่ในในภพของพรมมหาลคดอือจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าใช่ถึงนิพพานแล้วก็วรู้ว่ามันไม่มีสกวก่อนนี้แนละ้วมันนั่งริบนั่งขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดแนละ้วมันขึ้นไปสูงกว่านั้นไม่ได้อ๋อ ก็คือเราก็คือผ่านระดับทานศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็เดือปัญญาไปก็เดือผ่านแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอถึงขั้นชั้นสูงสุดถึงเพนเทาวงมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นนั่งนั่งขึ้นเล่มแล้วก็กดเราขึ้นจากชั้นหนึ่งนี่ชั้นชั้นชั้นใต้ดินแล้วเรามันก็ค่อยพาเราขึ้นไปแต่ละชั้นไปจิตของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราขัดเกล้าเราปฏิบัติมันก็จะเริ่มพาัรขึ้นไปสูงระดับต่างๆอืเจ้าค่ะคําถามของรูปมีเท่านี้เจ้าค่ะชัดเจนขอบพระคุณกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะตอนนี้อยู่จิตเราอยู่ระดับไหนแล้วนะก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะยังฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกวนไปวนมาแล้วค่ะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่เจ้าค่ะก็บางวันก็ บางวันก็ดีบางวันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. จ้าค่ะ mm hmm. ก็เลยมองว่าอ่ะก็เป็ น, เ ป, นรรเป็นธรรมชาติก็เพียนไปและกัน mm hmm. บางวันเดี๋ยวก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะคะแต่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกเห็นชัดคือเมื่อก่อนเนี่ย mm hmm. เคยคิดอยากจะถามพระอาจารย์ว่าทําไมพระอาจารย์บอกว่ากิเลสอย่างหยาบกายเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบตอนแรกไม่เข้าใจเพราะว่าการลักกายเนี่ยมันยากมากเลยทําไมเป็นยังเป็นแค่หยาบอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอตอนเนี้ย คิดว่ามีความเข้าใจแล้วว่าทําไมเป็นอย่างยาวเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีพลังงานมีจิตในที่เรามไม่เห็นเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้ไงเพราะรแต่ร่างกายเป็นอย่างเดียรู้ค่ะก็ก็เลยแบบก็เลยแบบก่อเข้าใจแล้วว่าโอ้ทาไมแบบกายเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าประมาาเมื่อไหร่กิเลสมันเข้ามาอย่างเงี้ยไอ้กิเลสที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีมันมาแบบไม่เห็น่ะเจ้าค่ะมันมาแบบ แบบก็เลยเข้าใจแล้วว่าออกแบบละเอียดคืออะไรอย่างหยาบคืออะไรเมื่อก่อนงงว่าทําไมพระอาจารย์บอกว่าลักายคือคื อ, ค, อคือสัญ ญ, ญาณของพระโสดาบันการละกายเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาอยังห ย, ย, ยาบอยู่อย่างบบยากนะ <laughs> ไม่น่าหยาบแต่ตอนนี้พอพอจะเห็นเจ้าค่ะเห็นเจ้าค่ะว่ามันมันก็ยังคงง่ายกว่าอย่างละเอียดเยอะเลยเจ้าค่ะเวลาเราปฏิบัติไปจิตมือนก็ มันก็เหมือนกับกล้องขยายจุร่าทันหนึ่มันก็เพิ่มกำลังขยายขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นของที่ละเอียดเข้าไปนี่เรื่อยๆติตปัญญามันก็จะขยายความสามารถของมันไปเรื่อยๆมีตัวหนึ่งเจ้าค่ะตัวตัวที่คิดว่าเรา เราดีอ่ะเจ้าค่ะเราดีเร า, <ม>าเรา <นะ S 1> เาามมาจ้าเจ้าค่ะตัวนี้เราจะเราจะทํายังไงเวลามันคือคือเราเห็นมันแต่เราไม่ออกมาทางวาจาไม่ออกมาทางกายแต่ใจมันยังมีความเ อ, อมีความววแล้วก็วัดได้ความดีมันดีสิที่วัดแล้วมันดีจริงก็เปล่าเราเป็นาัญหาหรือยัยงถ้ายังไม่เป็นก็ยังถือว่าไม่ดีอะ เราเราจะตบมันสอนมันยังไงดีเจ้าค่ะสอนแบบให้มันแบบนี้ใช่ไมไหมใช่ไหมเพราะว่าเอาความจริงมันยืนยันกันมาแล้วทำนี้ดีดีเพราะอะไรมนที่อยูเราเชื่อตู่ว่าเราดีทั้งด้านนี้เราไม่รู้ว่าดีนั้นเป็นอะไรเราความดีอะไรไม่มากเราถึงเรียกว่าเราดีก็ค่ะแก็ค่ะคือลูกล<ะ>พยายามหาคําป่ามันอยู่เจ้าค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในแต่ว่ามันคือลูกกับไม่ให้มันออกมาเด็ดขาดแต่ว่ามัน มันยังอยู่ขั้นไมนชอบยกขาตัวเองเหมือนหมาชอบยกขาตัวเองโดยที่มันต้องด่ามันจะหยุดแล้วมันดีตรงไหนล่ะคุณทําอำดีอะไรค่ะุณมาจากทานได้เท่าไหร่มันอะไรอย่างเงี้ยความดีมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่การทำบ้่ะไม่ได้อยู่ที่การคิดว่าเราดีอืต้องสอนต้องดูมันบ่อยๆต้องด่าต้องต้องบอกให้บ่อยๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องด่ามันนี่แต่บอกเอาเอ มัน<อ>ท <ำ S 2> <ะ>ํายืนยันมาบอกเอาอมาเรียนดีอย่างไหนค่ะถ้าดีก็ดีดีก็รู้ว่าดีเนี่ยมันดีตามมาเป็นจริงไม่ไม่เป็นกิเลสแต่ดีไปเพราะเราไปคิดขึ้นมาเองนี่มันเป็นกิเลสมันต้องคนบอกโอ้ทําบุญต้องเยอะแยะทาดีต้องเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้ผลเลยเนี่ยแต่บางทีทํานิดเดียวเร้มามามาขยายว่าโอ้ทอ า, ททากกเยอะแยะจนเวลาทําบาปต้องเยอะทํำไม้ดีเยกับมองไม่เห็นเนี่ยอือแล้วค่ะ ตัวนี้ยมันชอบแวบออกมาแป๊บหนึ่งเวลาที่แบบว่าแบบเผลอๆเจ้าค่ะมันจะแบบปุ๊บพุ่งออกมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วลูกก็เห็นว่าเอ้าเฮ้ยทำไมมันคิดแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นคิดของมันไปอ่ะเจ้าค่ะว่าก็เลยรีบกลับมาสติกก็บอกบอกว่าก็ต้องเปรียบเทียบอยู่ะเราดีแล้วเราดีกว่าใครบ้างเราดีกับเขาดีเพราะอะไรเราทําอะไรถึงเรียกว่าเราดีกับเขาใช้เหตุใช่ผลเราก็จะแก้ความหองมันนี้ได้ เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเวลามันมาลูกจะสอนมันเจ้าค่ะแบบนี้เจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณนรียแชร์นาเรีอยู่ที่ไหนคุณเรียการดำเนินการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ไต้หวันเจ้าค่ะไต้หวันเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งที่ใช่ใช่ไม่ไเนี้จะฟังอยู่ฟังเฟซบุ๊กอยู่ด้านนอกค่ะพระอาจารย์ ค่ะไม่ ไ, มได้เข้ามาออยากจะมากราบพระอาจารย์นะคะพอดีวันเสาร์นี้จะฉีดอวัคซีนบีเอ็นทีนะคะอยากอยากจะมาขอพอรพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรต้องอให้พรฉีดก็ฉีดเลยแ ล, <c oughs> แล้วก็พระอาจารย์ะ ค, ะคือไม่ทราบว่าจะจัดการคือเหมือนกับ อย่างกิเลสเขาเวลาเขาเข้ามาเนี้ยความคิดเขาเข้ามาเนี่ยเราเขาไม่ใช่พุทโธหยุดมันก่อนเข้ามาแล้วพุทโธพุทโธหยุดมันได้อยากปล่อยให้มันคิดมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปสอนในที่พิโสไปแม้แต่พุทโธยังยังยังใจเขายังไม่อยากท่องเลยพระอาจารย์ก็ต้องฝืนบังครับงถ้าต้องมาหัดหัดทำไว้ก่อนอย่าไปท่องตามที่กิเลสมาแล้วต้อมาซ้อมไว้ก่อน เหมือนนักวิ่งมาราธอนนี่ก็ไม่จะไปวิ่งวันวันที่แข่งขันเลยเพราต้องซ้อมวิ่งไปก่อนเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาวันวิ่งน้อยเขาก็จจะวิ่งได้แล้วถ้าสมาซ้อมพุทธพุทธไปเรืเร่อยๆก็ถ้ า, าซ้อมได้แล้วเวลากิเลสมาแล้วพุทธพุทธไปอย่างเดียวมันก็หยุดนะอย่างวัน<ม>วันนี้เอาเอาเขาไม่อยู่เลยเจ้าค่ะต้องต้องไม่อยู่แสดงวราแสดงว่าเราขาดซ้อมแล้วต้องกลับมาตั้งหลังเลย มาซ่อมมาใช่ค่ะพระอาจารย์แต่เราซ่อมบ่อยๆต่อไปเอามันเอามันอยู่ได้มาพมาพุทธรเดียวเดียวมันก็อยู่ได้เจ้าค่ะกลับขอบพ <นะ S 2> ระคุณพระอาจารย์เจ้าค่นะนอยากขี้เกียจซ้อมนะต้องซ่อมนะนังน่นนงมองก็ยังซ้อมเลยใช่ไหมถ้าไม่ซ่อมไปไปโชคก็โดนถูกคนนอกค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะพายเรียนเจ้าค่ะ มันวันหนึ่งมันวันหนึ่งนี่แะท่องพุทโธพุทโธไปเวลาไ ม, ไม่ไม่รู้จะทำอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปใจเจ้าค่ะเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นทิศสายแล้วมันจะท่องได้เจ้าค่ะโอเคนะค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะคุณเชลินธอนจากแมเวแลนด์เมืองอะไรเนาะเชลินธอนเปเมืองอะไรอยู่เซเวอรสปริงนะ่ะาจรเซวอสปริงเมือกัน spring, อ้าวพระอาจารย์ค่ะกลับป็นทการค่ะ นิยมเข้ามากบรบพระจารย์แล้วก็มันมาฟังค่ะยังปฏิบัติอยู่แล้วก็ยังอยู่ใน p <ำ> อ, อยที่บ้านหรือทำอยู่ที่ออฟฟิศขอขอที่ทํา ง, งานว่าวันพุธทําที่บ้านค่ะจะได้เข้าสู่มพระาด้ีชราชราวั น, ว, นวันอื่นเข้าสู่มพระจารย์ไม่ได้แล้วเสียดายะคะ่ะเพราะว่าเวลาฟังแล้วเหมือนมันมีแรงบรรดาลใจให้โยมปฏิบัติต่อไปแล้วก็ สู้อะค่ะมีกาลังใจให้สู้ในการปฏิบัติค่ะมีคําถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้มานั่งฟังค่ะมาดวมารับฟังค่ะเจีบวงจะเข้ามานะเดี๋ยวคุณจีบรอเหมือนกันทำไได้เดี๋ยวเขพูดชื่อจีบเดี๋ยวเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวมาเลค่ะอ่างเงี้ยไม่มีอะไรเข้าไปที่คุณเมนต่อนะคุณมินเชิสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ หนูได้ไปอ่านหนังสือพระจารย์มาค่ะในในเว็บไซต์แบบได้แรงบันดาลใจมากเลยค่ ะ, ะจารันรู้สึกนนว่าเรานี่เรื่องเยอะมากเลยค่ ะ, ะจารย์อันนี้อยู่ที่กรุงเทพค่ะคมีคำถามอะไรไหมวันนี้ อ, อ๋ออยากถามพระจย์ค่ะว่าแบบภาวนาพุโทโธค่ ะ, คะมันมันใช่อนาปันสติไหมคะไม่ไม่อนาปันสติคือดูลมอย่างเดียวดูลมเข้าลมออก ถ้าเราบริกรรมพูดทวนเรียกว่าพูดทานุสติ oh. เราเลิกถึงว่ามูตตเจ้ามีสติแล้วเลิกรู้ว่าพุทธเจ้าเนพุทธานุสติถ้าดูนมก็เรียกว่มามีสติดูดูล ม, มหายใจเข้าออกแต่บางทีเขามารวมกันไเวลาคนปฏิบัติบางทีเข้าสองอย่างมาปนกันหายใจเข้าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าตรมักนก็เลยเป็นสองงานอนาปนสติบวกพุดทานุสติ เพราตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันเพาอะไรอย่างเัี้ยพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องดูลมก็ได้ดูลมอย่างเดียวโดยไม่ต้องพุทโธก็ได้แล้วเหมือนหนูสงสัยว่าที่เขาบอกว่าเหมือนเราทําอนามนัสติอะค่ะมันจะได้ทางสมาธิแล้วก็วิปัสสนาแต่อย่างแบบพุทธานุสตินี่คือมันเอาไปต่อยอดเป็นวิปัสสนาได้ยังไงคะก็ต้องมาพิจารณาตายละถึงจะเป็นวิปัสสนาได้ เวลาดูลมนี่ราเห็นมันเป็นตายลักเพราะมันไม่เที่ยงลมเข้าลมออกหายใจเข้าแล้วมาหายใจออกก็ตายมันก็จเห็นว่าความไม่เที่ยงของร่างกายอแต่ถ้าพุทโธนี้มันไม่มีมันไม่เห็นตายลักมันไม่มีตายลักเราก็เรามาพิจารณาเองพิจารณาร่างกายแล้วว่าเกิดแล้วเนี่ยมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายมันก็เป็นมันก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมา อ๋อแต่แค่มันจะไม่ได้เชื่อมกันเหมือนกับอนาปนสติใช่อนาปนสติมันเห็นชั้นเลยแล้วเราก็ลองดูลงแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายใช่ไหมอืออือมันก็เลยเป็นวิปัสสนาด้วยเป็นเป็นสมถะด้วยแล้วอย่างนี้เราจะทราบไหมคะพระอาจากว่าเราแบบเหมาะกับอันไหนหรือว่าจริงจริงเราไม่เราได้แล้วแต่ถ้าเราชอบบริกรรมก็พูดโทไปชอบดูลงก็ดูลงไปหรือถ้าชอบสองอย่างปนกันครับ หายใจเข้าก็ว่าพูดหายใจออกเพราะว่าโทก็ท้าลองดูเหมือนกินกินอาหารเนี่ยลองชิมอาหารชนิดนี้ดูอาหารชนิดนั้นดูแล้วเดี๋ยวก็จะได้ข้อสรุปเองว่าชอบอาหารชนิดไหนอในระยะเวลาชนิดนั้นไปแล้วก็ขออีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์ที่ถ้าเบอกว่าเราเรทําสมาธิอะค่ะเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนคือสติก็คือคําว่าพุทโธใช่ไหมคะใช่คราที่ยังมานั่งถ้าเราไม่มี เราก็กลุ้มใจไม่ให้คิดไม่ได้ด้วยพุทโธเวลาานั่งมันก็จะทิ้คิดไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราคอยควบคุมความคิดก่อนที่เราจะมานั่งเริ่มมาพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆมันก็จะคิดอะไรไม่ได้เวลามานั่งเราก็พุทโธต่อแล้วดูลองตับมันก็จะสงบได้ง่ายโอเคค่ะอาจารย์มีประมาณนี้ค่ะอาจารย์โอเคแ้วนี่ก่อนนะยุ้งเทปใช่ไหม โอเคคุณกรรมคูนเหรคุณกรมคูณแล้อ่านไม่ถูกไม่ถูกก็ขอไปเลยเป็นสามเกณฑ์ค่ะค้ำคูณคะ่ะพระจอมค้ำคูน okay. คือตอนนี้อ่าอยู่นาเกลือค่ะอยู่ น, น า, าเกลือใช่ค่ะก็คือปกติตอนเป็นเป็นแพทย์นะคะตอนตอนแรกก็อไปที่วัดปกติอะคะ่ะแต่ตอนนี้เป็นมะเร็งนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออความตายมันเริ่มใกล้เข้ามาละ ก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มขันมาปฏิบัติสมาธิมากขึ้นค่ะอาจารย์ดีค่ะเพื่อจะช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้มึนวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายได้ค่ะก็อ่าตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติจนถึงแบบรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจอะคะ่ะตอนนั้นก็ตกใจไม่มีลมหายใจเราจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูความว่างไปนะเวลาไม่มีลมหายใจก็ดูดูความว่างไป ดูความคิดไปอย่าอย่าปล่อยให้ใจคิดมันคิดก็อยู่คิดมันไม่ต้องไปคิดว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกมัน ล, ลมมันละเอียดก็มีคําถามหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้มีคนถามไปแล้วอะค่ะพอดีคุณแม่ก็มีความคิดเหมือนกันว่าก็คุณแม่ก็ชอบบ่นว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เลยบอว่าก็เนี่ยอยู่ทุกวันก็ให้ทําความดี แม่ก็บอกก็มันก็คือเหมือนกับแบบท่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตนะคะก็เลยรู้สึกว่ า, าก็บอกว่าเออก็อยู่เป็นมิ่งขวัญให้ลูกให้หลานไปอะไรประมาณเนี้ค่ะใช่ก็มีมีเหมือนมีคนถามไปแล้วอย่างหนึง่งก็เขาก<ข><ข>็อยากจะให้เราเราเร า, เราลากเขาเราขอร้องให้เขาอยู่เขาจะได้มีกาลังใจอยู่ถ้าเราไม่ไปขอร้องเขาเขาอาจจะคิดว่าเน่าพงยาเบื่อเขามัไม่อยากจะกจ เ, เอลีงดูเขาเขาก็เลยบ่น ในอะไต้องให้ความสําคัญกับพ่อกับแม่โดยเฉพาะเวลาทีเ่เขาแก่นะพระพุทธจ้าบอกเลียงพ่อเลีงแม่นี้เท่เากับเลี้ยงพาะทำบุญ ก, กับ่นะก็คือตอนที่เป็นมะเร็งตอนที่ดูครั้งแรกก็ก็คือตัวเองนี่ไม่ได้ห่วงเรื่องความตายอะค่ะแต่ว่าห่วงคุณแม่ความรู้สึกคุณแม่มากกว่าคุณแม่เขาพ่อแบบเขาก็ร้องไห้เขาก็เสียใจเล ย, ยามานนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่นึกว่าแบบเออเราจะมาป่วยอะไรอย่างเงี้ย ค, ค่ะก็เลยอยากจะแบบให้เขาแบบ คือตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้กลัวเรื่องความตายแต่ว่าก็คือกลัวอย่างเดียวว่าจะปฏิบัติทำได้ไม่เท่าไม่สมกับที่เกิดมาอะไรประมาณนี้ยค่ะแต่ว่าที่ห่วงตอนนี้มีเครื่องเดียวก็คือห่วงคุณแม่ว่าคุณแม่เขาค่อนข้างที่จะปรมยากอะไรประมาณเนี้ยค่ะเลยที่จะที่คิดว่าถ้าถ้าตอนนี้ใช้ชีวิตไปก็คือที่อยากห่วงก็คือคุณแม่อะไรประมาณนี้ยค่ะก็ Broad, ไปห่วงทำไมจะห่วงมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เปล่ามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ คุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ต้อต้องเป็นอย่างนั้นนะก็มีคนถามแล้วคะ่อนะออะย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นกังวลกับเรื่องของเราก็บอกใจเราหว่นไหวไหมใจเรากลัวไหมใจเราทุกข์ไหมอย่างนี้ดีกว่าค่านะพยายามฝึกสมาธิไปแล้วใจเราจะไม่กลัวนะเมื่อก่อนเป็นห้อที่ไหนอยู่ที่บางำลำพูมา เออโเคบ้านเราให้ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งให้เคมีบําบัดเสร็จค่ะอืมยังจะกลับไปทํางานต่อได้มันย้ยได้อย่างนี้นะคือ <c oughs> อันที่จริงแล้วเนี่ยก็คือขอคุณแม่ออกมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนไอตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะแ ต, แต่ยังไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าคุณแม่บอกว่าก็คือขอให้อยู่ในชีวิตข้าราชการไปก่อน <c oughs> แล้วก็ถ้าจะเกิดว่ากเกษียนหรือเมื่อไหราอ ย, ยังแต่ก็รู้สึกว่าแบบ คือพอเรากเกษียณแล้วร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอมาเป็นมะเร็งเนี่ยก็ยิ่งมีความคิดว่าอยากจะออกไปปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ mm hmm. ความตายมันก็ใกล้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าค mm ุณ hmm. แม่ก็จะได้อยู่ในราชาการไปก่อ น, นะคะ่ะก็ทำอะไรทําที่เราทําได้ไปก็แล้วกันนะ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมดีที่สุด น, นี่ก็คือก็พยายามปฏิบัติธรรมตอนแรกก็ถือศีลห้าตอนนี้ก็พยายามถืเศีาเขาย็นแล้วก็นอนเตียงนี่คือไม่ได้นอนมาแปดปีแล้วค่ะนอนอยู่ที่พื้นตลอดนะคะอครับียู่แบบส ม, มะถะเงี่ยง่ายค่ะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ ะ, ะคุณจิ๊บคุณจิ๊บอยู่ซีลิสเปรนเหมือนกันใช่แล้วก็รันเหมือนกันนะ เม่อกีเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหรองเข้ามาเลยสวัสดีค่ะกับนักมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าค่ะหรือว่ายมชัดเจนเลยชัดเจนเ <Okay. laughs> ไม่ได้เข้ามาพอดีว่าสองอาทิตย์ที่แล้วโยมโมแต่ไปสัมภาษณ์งานเจ้าค่ะพระอาจารย์ ค่ะก็ <g ül üyor> เลยพอนึกขึ้นได้ที่เอ้าเสร็จแล้วเกือบเที่ยงสงสัยพระอาจารย์เลิกเราก็เลยเ อ, อไม่เป็นไรเราฟังอยู่ข้างนอกละกันเจ้ขขาค่ะค่ะก็ปรากฏว่ายมได้งานเราเจ้ขขาค่ะพระอาจารย์องานประจำแรงครับดีด้วยค่ะสอาดทุเจ้ขขาค่ะก็ขอให้เจ้านายเป็น <g> เ <ül üyor> จ้านายที่ดีไม่รู้เหมือนกันก็ไปใช้หลกักธรรมอ่ะเราก็งานที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เรา ค่ะพอดีวันอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายค่ะโยมบอกบอกไปแล้วค่ะว่าแบบเเข้ามาเคลียร์งานแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์หน้าไม่ใช่ที่วันจันทร์หน้าวันสุดท้ายค่ะเราค่อยเบรกนิดนึงแล้วก็ค่อยไปเริ่มที่ใหม่ค่ะค่ะก็เลยโยมก็เลยอะน้องนี้เสืยปาฉลาดี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะสิพสออัดฉัอ น, ออนอย่าพูดเป็น เ, นเนขเเาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเนีย่ยจิ้งสยม เรเตรียมตัวเตรียมใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ค่ะยมก็คิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะไม่มีปัญหาในการทำงานหรอกค่ะต่ออยู่ที่เราใช่ใช่ค่ะยมก็อาให้มัน w o r s t ก็ขอไม่ให้ w o r s t แบบที่เรา handle ไม่ได้ก็แล้วกันค่ะถ้ามีทรได้ handle ได้หมดทำใช้เฉยๆไปใช่ค่ะ นายก็บอกว่าเนี่ยถ้าถ้ายมออกก็คงจะเสียดายเพราะว่าไม่มีใครที่จะอดทนคุยโทรศัพท์กับฝรั่งได้ได้นานเท่าโยมแล้วโยมก็โอเคอะไรยเงี้ยค่ะก็จะใช้หลักธรรมะที่พระอาจารย์สอนนะคะไปทุกๆที่ที่เราทำนะคะค่ะอันนี้ค่ะ ใช้หลักหลักนี้ดีที่สุดนะคะพรวิหารสีค่ะไม่มีอะไรใช่ไ ม, ไม่มีค่ะก็เข้ามากราบพระอาจารย์อยากได้ยินเสียงพระอาจารย์ค่ะเห็นหน้า <laughs> เห็นหน้าด้วยได้ยินเสียงด้วยขอพระอาจารย์อวยพรแค่นี้รโยมก็มีความสุขค่ะไว้ใ จ, ใจชื่อมั่กันมันจะดีจะชั่วถ้าใจชื่วก็ไม่มีปัญหานะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะยมจะรับรับเอาพรของอาจารย์และคำสอนไปใช้ปฏิบัติเจ้าค่ะแล้าจะรักษาสุขภาพนะคะสาธค่ะสาธุค่ะคุณพระสุชาตินชนชื่อเราเนยว่าอยู่ที่ไหนคุณพระสุชาติาได้ยินไหมชื่อพระสุชาติ คงใช้ระบบเข้ามานะครับนึ่งนะอเก่งพูดได้เลยฮะอ๋อแสดงว่าคือครั้งแรกค่ะเล่นไม่เป็นเลยนะเป็นเคร <c oughs> องขอเอาใครนะเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรแปลกใจว่าทำไมใช้ชื่อภาคสุชาติคือกาลังแบบว่าไอ้การตั้งชื่อนี้คือการเสิร์ชหาชื่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแปลกใจไม่เป็นไรครับก็ดีมีคนใช้ชื่อเหมือนกันนี้เป็นไ ต้องขออภไปมาเจ้ามึงวางไว้ไม่ลไม่เสียหายหรไมจะตั้งชื่ออะไรได้ไดเพื่เออ<า> เ, เปลี่ยนได้ได<า>้เอาไปตั้งที่โปรไฟล์ได้บนหนังมันไปเปลี่ยนได้มีคถามอะไรไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่อยุธยาเจ้าค่ะอยุธยายั ง, งมีคําถามอะไรไหมก็คือก็ขอกาบเป็นลูกศิษย์ ด้วยคนนึ่งนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือมักเพิ่งมาได้อ่านธรรมะจากหลวงพ่อช่วงหลังๆประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเองอะ่ะเจ้าค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่แบบคือมันเข้าเข้าใจแล้วก็ถึงใจแล้วเหมือนประมาณว่าเราเก็ตอะไรได้เยอะเลยเกี่ยวกับธรธ ร, ธรมะค่ะก็เลยว่าวันนี้เพิ่งเห็นนะคะว่ามีไลฟ์มี เออแบบว่ามีขับเฮามีซูมอะไรยเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าได้เข้ามากราบก็แบบดีใจมากๆเลยเจ้าค่ะโอเคไม่มีคําถามเลยนะอ่ะขอกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะเจ้าค่ะดียินดีทุกคนที่กล้ามา ก, ก็เป็นลูกศิษย์โดยธรรมธรรมามัติไม่ต้องขอไม่ต้องพอฝากตัวเจ้าค่ะโอเคนะไม่มีคําถามใช่ไหมเ <c oughs> จ้าค่ะเจ้าขอฟัง <c oughs> คำสิ่งของพระอาจารย์ แล้วก็มาปฏิบัติอะค่ะใช่ใช่เห็นไปที่คนร่วมพรตก่วมพะนวัฒการนะคะได้ยินเลยอยง น, น, น ะ, ะ้เจนเจนอคือตั้งแต่ที่ท่านแนะนำว่าทุกอย่างต้องขึ้นไปโชกบนเวทีผเผชิญหน้าเลยนะก็เลยคิดว่าท่านสอนได้ละเอียดมากไม่งั้นก็จะนั่งปฏิบัติแต่ตอนนึางคืน ออาท่านสอนอะไรก็ไปไปนั่งวิปัสสนามั่งสมาธิมั่งอะไรเงี้ยแต่พอท่านบอกว่าต้องเผชิญหน้านะแล้วดูดูไปจริงๆเลยแล้วก็เหมือนก็นขึ้นเวทีโชกเลยก็รู้สึกว่าจะดีค่ะท่านได้ผลไม่รือพูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าท่านเองจะจำได้หรือเปล่านะฮะที่สอนไว้ ตอนตอนตอนต้นเราทาการบ้านก่อนแต่พลพราร้อเราก็ไปขึ้นเวทีไปทำข้อสอบต่อฮะก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคือไม่ไม่ทุกข์แล้วนะคะพราะเห็นว่าเออมันจริงนะก็ใช้ต้นไม้มั่งเวลาเดินสมมุติเดินจงกลุ่มนะฮะเห็นต้นไม้เราก็อืมดี๋ยวมันก็ร่วงแล้วมันก็หายไปหมดนะเป็นธรรมดามหรือเห็นสุนากหรือเห็น คนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเราก็ใช้เหมือนกับเป็น subject ที่เราใช้ดูร่างกายเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ผมันก็เป็นเหมือนใบไม้มันก็รอว ง, งไปเรือ่อยๆดูแล้วมันก็ร่วงร่งมันก็หายไปเป็นธรรมดาตอนนี้เหมือนกับจิตเราก็ค่อยๆยอมรับแต่ก่อนมันทุกข์นะคะถ้าเห็นคนใกล้ชิดไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็ดู ดูดูไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาขึ้นแต่เราก็ไม่รู้อนะว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมได้ถ้าดูไปรเรื่อยๆก็ได้มันเกิดเป็นยังไที่สุดมันก็จะมันก็จะมันก็จะยอมรับได้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับคล่องขึ้นคล่องขึ้ น, นเหมือนที่ท่านบอกเหมือนสูตรคูณนะคะมันจะคล่องขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันฝืดมากเลย ทั้งที่ก่อนจะมาปฏิก่อนจะปึกตอนที่ท่านย้ายคําปรึกษาก็นึกว่าเราคล่องแล้วนะแต่มันเป็นคงเป็นแค่เป็นการฝึกซ้อมอ่ะพอของจริงเนี่ยมันรู้สึกยากแต่ตอนนี้มันก็คล่องขึ้นนะฮะท่านตอนนี้ก็ยิ่งทำยิ่งคล่องไปใหญ่ยิ่งฝึกยิ่งทำยิ่งคล่องไปใหี่ทําไปเรื่อยๆมันงงน้างมันเป็นอัตโนมัเลยต่อไปค่ะ พอเห็นใครก็มันก็จะนึกไปเองใช่ไหมฮะที่เรียกอัตโนมัติเนี่ยรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแกเจ็บตายอันนี้นเป็นต้องการณนัตตาเห็น ท, ทันทีก็ดูว่าเหมือนกับพ่อแม่เราก็ร่วงไปแล้วก็หายไปเป็นธรรมดาม<ะ>คือมันจะสั้นลงแค่นี้ฮนะตอนแรกเนี่ย แต่เดิมเนี่ยยึดว่าเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาสังไปเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วตอนหลังนะฮะมันก็มาขยายไอ้ตูหายไปเนะะี่ยฮะมันก็ต้องค่อยค่อยร่วงร่วงร่วงมันเป็นเศษดินเศษอะไรร่วงร่วงมาแล้วมันก็หายไปมันฟองน้ํำพวกเราพวกเรานีเา่เป็นเหมือนฟอง น, น้ํา แล้วมันก็แตกองคนั้ามันแตกก็มันก็หายไปร่างกายพอเรามันตายมันก็หายกลับไปเกิดสู่ดินน้ํานุนสฟฮะแล้วก็ไม่ไม่มีมายเลยอย่างพ่ อ, อแม่เราก็มันหายไปที่บ้านเลี้ยงสุนัขมาหลายรุ่นก็เข้าที่อยู่ที่บ้านนี้เลี้ยงมาก็ตายไปให้ดูแลสิบสามรุ่นก็ไม่มีอะไรหายไปเลยหายไปไม่กลับมาอีกว่างเปล่าไปเลยของพวกนี้ใช่ นี่เกินมันเป็นฟองด้ำไ น, นี่ไมมันฟองด้ำมันแตกแล้วก็เอ๊ะไม่มีฟองละอะไรนี้ขอให้ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายัา ง, งยึดยังติดอยู่ต<ะ>เราไม่ทุกข์กับมันคือถ้ามันไม่ทุกข์นี่มันก็คิดว่ามันก็ เพนเห็นว่ามันเป็นเพียงฟองน้ำนะอยู่โดดตอนไม่มีผ้า ไ, ไ, ไม่มีแม่ไม่มีสัตว์ไม่มีคนเราไปสมมุติมันฟองน้ําว่าเป็นสัตว์เป็นคนกันมาเองข<อ>้าวที่มันเป็นฟองน้ำอ่าอ่าเข้าใจนะเข้าใจค่ะอคขอขอกราบเรียนถามเพิ่นิดนึงส่วนส่วนดูว่าความเป็นอยู่ของคนในโลกอ่ะอย่างเช่น บางคนก็ทําร้ายสัตว์บางคนก็ทําร้ายคนหรือสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ว่ามันเป็นเหมือนกับของธรรมดาในโลกนี้ถ้าเกิดมาในโลกนี้สิ่งนั้นน่ะธรรมดามันมันก็น่าจะถูกน ะ, ะความเห็นอย่างนี้ใช่เพราะจิตใจของคนไม่เหมือนกันจิตใจที่มีความเมตตาก็มีจิตใจที่มีความหัวน้อยก็มีเหมือนผลระบายเนะี่ย เรื่นี้มันเราไม่มีผลไม้ชนิดเดียวใช่ไหมเรามีหลายอย่างมีกล้วยมีส้มมีสับปะรดมีแตงโมมีส้มโอคนก็เหมือ น, อนกับผลไม้อะมีหลากหลายด้วยกันคนดีก็มีคนเชื่อว่า ม, มีคือแต่เดิมฮคือคือแต่เดิมนี่นะฮะตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยก็ได้ยินสงความที่นูน่นที่นี่นะ จะเป็นคนที่กลัวนะฮะเคยถามแม่ถามอะไรแล้วเข้าคงจับได้ว่าเรากลัวนะฮะแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี้ยมองมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมาในโลกนี้อ่ะมันก็มีไอ้สิ่งอย่างเนี้ยเต็มไปหมดอ่ะถ้าไม่สงเรื่องสงครามก็เรื่องนั่นเรื่องนี้จนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาดเนี่กเป็นธรรมดาของโลก ใช่แล้วแบบบางคนเราเดินเดินเอ๊ะทำไมหมาตัวนี้อดอยากขี้เลือนเต็มตัวเอาทําไมหมาตัวนี้เป็นอย่างนั้นหรือที่นู่นที่นี่คนตีกันฆ่ากันม็อบกันอะไรเขบอกธรรมดาโลกคือมันดูดูอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่เหมือนตอนเราเป็นเด็กนะฮะ บ, <ม>บอกว่าถ้ามาเกิดมันก็เจออย่างนี้แหละถ้าไม่ถ้าไม่อยากเจอก็ไม่ต้องเกิดแล้วก็ ไม่เจอพยายามปฏินนบัติเพื่อไม่เกิดดีบาจะได้หมดปัญหาไปไม่มีคำถามอะไรแล้วใช่มีไ ม, ม, มไม่มีแล้ค่ะอคขอบขอบพระคุณครับขอไปที่ท่านตอไปเลยนะใครเอ่ยเมื่อแล้วเนี่ยนะที่เปิดกล้องนี้มีแต่เป็นภาพนิ่งเทถ้าไม่เปิดกล้อง<ต>ก็เปดกล้องเดี๋ยวฮะเปิกล้องแต่สิทธ กล้อหมอบ้านมาครับครับการพระาจารครับเพชรบุรีใช่ไหมอาจารย์เ้าบ้านอยู่เพชรบุรีครับผมครับวันนี้มีคําถามครับพอาจารย์าครับถามพระอาจารย์ว่าการใช้เส้นเข้าทํางานอย่าเงี้ยครับที่มีคนเขาสมัครสอบแข่งกันเยอะอย่างเงี้ยถ้าเราเส้นนี่เราถือว่าไปบาปหรือว่าไปเปลียดเปี่ยนเขาไหมครั มันก็แล้วแต่เราจะมองนะถ้ามันมองว่ามันเป็นเรื่องอมีคนเขาต้องการให้ความช่วยเหลือเรางนี้เราก็นาความช่วยเหลือจากเขาไปแต่ถ้าจะพูดว่าถ้าถ้าจะพูกว่าเป็นการแข่งขันมันกเป็นการแข่งขันที่ที่ไม่ไม่เสมอภาคใช้เส้น เราไม่ได้ใช้ความรู้เวลาเวลาเขาสอบเ้าเลือกแต่ไม่บากหรอกมันยังไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเสียหายเดือดร้อนบางทีผมคิดว่าแบบเหมือนเราไปแย่งเขาไหมครับสมมติว่าบางคนเขาเดือดร้อยจริงๆแล้วเขาเก่งกว่าเราอยเงี้ยครับก็าอา จ, จะแย่งกันนะก็เป็นการแย่งกันแข่งแย่งแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่สบายใจล้วก็อย่าไปใช้เส้นของเร เราก็ใช้ความสามารถของเราไปครับคือพ่อพ่อผมเขาแบบอยากให้ผมสมัครอันนี้แล้วเขาจะใช้เส้นให้เงี้ยครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากทํา<ม>ก็เลยยังไม่ได้แบบผมไม่ได้รับปากเขาเงี้ยครับแต่ก็ไม่ค่อยสบายใจผมบอกเขาว่ามไม่ต้องใช้เส้นนะมันขอไปสมัครเอาเองทำเองวิสวดความสามารถของเราผมผมก็บอกเขาไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่า<ม>แต่เหมือนเขาก็แบบ เหมือนกับเพราะว่าตัดคออ่ะครับก็แบบเออก็ได้อะไรอืมครับก็เลยไม่แน่ใจครับครับพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งครับคือเรื่องแบบการเปลียดเปลี่ยนเนี่ยครับพระอาจารย์อย่างตอนนั้นผมไปขับรถส่งอาหารครับพระอาจารย์ขับแจฟฟูนะครับแล้วก็พ่อแม่เขาก็เป็นห่วงมากเลยครับพยายามแบบจะไม่ให้ไปขี่เพราะว่าแบบเป็นห่วงเรื่องออุบัติเหตุอะไรเงี้ย แล้วเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาก็ทุกพอสมควรนะแบบเขาก็พยายามห้ามผมเนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเราก็สุจริตแล้วก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเขาอะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเราไปทําให้พ่อแม่เขาเสียใจไหมครับพระอาจารย์อ๋อมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นคามผิด ข, ของเขาเองเขามีความอยากให้เราไม่ทําอย่างนี้แต่พระเส้นการกระทําของเรามันก็ไม่ได้เป็นผิดสินผิดธรรมแต่อย่างใดเป็นการทํามะกินแว่ที่สุจริต เห็นแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเราเขารักเราเขาอยากจะให้เราปลอดภัยแลเราเขาเห็นว่าเราไปขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าก็เลยกลัวเดี๋ยวไปเจออุบัติเหตุเขาก็เลยไม่สบายใจอันนี้ไม่ได้เป็นความปิดของเราเป็นความปิดของคําแล้วก็บางทีแบบบางทีลงของเขาก็แบบพูดแบบไม่อยากให้ไปอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบบางทีมันก็เบื่อครับอาจารย์แบบน้อ ก, ก็แบบตัดปัญหาไปเลยก็เลยแบบ ไม่ได้ทำเลยอย่างเงี้ยครับพรอาจารย์เปื่ที่จะแบบพูดคุยหรือสเ ล, สะเลาะกันเรื่องนี้ครับเออก็ดีการอย่าไป ม, มีเรื่องวเวลากรณีนี่ครับพรอาจารย์ผมก็มีเท่านี้ครับผมโอเคมีใครหมนแล้วมั้งที่ที่เข้ามาโดยที่ไม่ที่เปิดกล้างใครอยากจะถามที่ยังไม่ได้เปิดก้างมาเปิดกล้างได้นะั้นจะได้ถามไนดะ้ ทำไมเปิดก้ําเดี๋ยวไปที่คนคุณลาก่อนแล้วกัคนคนลุลาี Facebook คำถามอะไรมีคำถามทั้งหมด19คำถามจากทางเ c e b o o k และ Youtube ของดเรวีเจ้าค่ะว่ามาเลยคำถามแรกจากคุณสุรเดชถ้าเรากำลังจะทำผิดแต่จิตนี้รู้ว่าสิ่งที่จะทำนั้นผิดแต่มิอาจห้ามใจตัวเองได้สุดท้ายแพ้ต่อกิเลส เช่นนี้ถือว่ามีสติรู้อยู่หรือไม่และมีทางแก้ไขเช่นใดครับผมคือรู้แต่ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นฝึกฝึกปัญญาให้มากขึ้นให้คิดถึงผลที่จะตามมาถ้าเราไปทําบาปให้มีอตตปะคือเห็นกลัวกลัวผลที่จะเกิดจากการกระทาบาปบาปนะั้นถ้ายังไม่ตายก็อาจจะไปติดคุกติดตารางอะไร มีเรื่องมีลาวหรือถ้าตายไปก็ไปเกิดในอบายถ้ามีปัญญาด้วยมีสติด้วยมันก็จะทำให้การการกระทาบาปนี้ยากขึ้นการยกระทาบาปง่ายขึ้นคาถามต่อไปจากคุณทิพวันน้อมกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์หนูเพิ่งเริ่มปฏิบตัตินั่งสมาธิยังไม่เต็มขั้นเต็มหน่วย ผลยังไม่ดีพอใช่ไหมคะใช่ก็พยายามฝึกต่อไปโดยเฉพาะสติเหมือนฝึกสติก่อนแลนั่งด้วยไม่ใช่มานั่งแล้วก็ฝึกสติต้องฝึกสติก่อนมานั่งต้องมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วพอมานั่งมันก็จะได้มีกำลังมีสติมีกำลังก็จะทําทให้นั่งแล้วทาให้จิตสงบจิตรวมได้คําถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนท์ น้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาเราทําบุญใส่บาตรหรือให้ทานเราน้อมจิตอุทิศบุญให้ใครก็ได้เช่นญาติพี่น้องแต่ถ้าเราอุทิศบุญถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บุญนี้จะถึงท่านไหมคะคื อ, อ พ, พระพุทธเจ้าท่านไม่ไดมุขอ ง, งเราเมืท่านเป็นมหาเศรษฐีบุญแล้วในเรบุญที่เราที่นี่ส่วนใหญ่เราที่ท่านกับโยงวิญญาณที่เป็นขอทาน เป็นพวกเปรตถ้าไม่ใช่พวกเปรตเขาจะไม่มารอรับส่วนนี้ถึงมแม้เราจะอยที่แทนเขาเขาว่าเขา ก, ถาก็ถ้าเขารู้เขาก็แสดงความยินดีขอบคุณแต่เขาไม่ไม่เดือดร้อนกับกับบุญที่เราส่งมาให้เขาคือบุญที่เราส่งมาให้เขามันนิดเดียวเทียบเท่ากับบุญที่เขามีอยู่นะเหมือนให้เงินเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีก็ไม่เขาไม่ได้มีความรู้สึกมันก็ได้เลยัยง กัรเงินที่เราจะให้เงินขอให้ขอทานเนี่ยแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปให้ขอทานเนี่ขอทานแล้วรู้สึกโอโห่มีคุณค่ามีราคาร์มั้งพฉะนั้นเราไม่อุทิศบุญให้กับพวกเศรษฐีมูลทั้งหลายคือตั้งแต่ตั้งแต่เทพขึ้นไปพระพุทธเจ้าขึ้นไปนี่ท่านไม่มาเรารับส่วน ข, ของใครถ้ามีบุญของท่านมีแต่พวกเกรดเทานนะที่จะมาลรารับส่วน คำถามต่อไปจากคุณทิพวรรณคอน้อมถามท่านพระอาจารย์ค่ะเทวดาท่านมีการอารมณ์ละเอียดใช่ไหมคะก็ยังเสียงรูปทิพย์เสียงทิ่ยอยู่นะเป็นเหมือนตอนที่เราฝันนี่ยเราหลับบางที่เราฝันว่าเราไปเที่ยวมันนั้นเที่ยววันนี้มีแต่งแบบวันนั้นมีแต่งวันนี้นั่นแหลเคยสั่งเของเทวดาคำถามต่อไปจากคุณปูเป้การฝึกสมาธิในทุกขณะ ในชีวิตประจำวันช่วงทำงานช่วยให้สมาธิแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับใช่แต่เราไม่ใช้คำว่าสมาธิเราใช้คำว่าสติ น, ะนี่เราบางชีใช้คำสติผิดแล้วเอาสมาธิมาแทนคำสติาจริงต้องเป็นเป็นสติฝึกสติสมาธินี่คือขณะที่จิตนิ่งสงบเราถึงจะเรียกว่าสมาธิไม่คิดอุตตร คำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนสอบถามครับกระผมนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธนั่งไปพักใหญ่ก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกนี้ก็เจ็บปวดเหลือเกินทั้งปวดแสบร้อนตามร่างกายความคิดผมก็บอกว่าเอาละวันนี้จะทุกอย่างไรก็ขอให้รู้ทุกยอมเจ็บ ทุกอย่างผ่านทุกขเวทนาไปจนตัวสันทุกขเวทนาก็ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่จิตนี้ก็สุดแข็งแกร่งผมนั่งได้สีชั่วโมงสองนาทีครับแต่จิตก็ไม่รวมลงเป็นสมาธิจึงขอน้อมกราบขออุบายธรรมพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางเพื่อให้จิตนี้รวมลงเป็นสมาธิครับก็ต้องใช้คําบริกรรมเราใช้เจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธกันถึงจะรวมได้ คำถามต่อไปจากคุณชากชาทำอย่างไรจิตใจจะสงบครับต้องใช้สติเหมือนกันต้องฝึกสติว่ากลุ่มจิตไม่ให้ค่อนตัวแต่แล้วจิตก็จะสงบได้มีสองคำถามจากคุณปี ย, ยโยกับนรัสการพระอาจารย์ค่ะโยมเป็นผู้ปฏิบัติขั้นเตรียมอนุบาลค่ะอยากสอบถามว่าเวลาเราพุโทโธหมายความว่า เราต้องท่องพุทธโธพุทธโธในใจใช่ไหมคะแล้วเราต้องท่องเร็วหรือช้าค ะ, ะช้าเป็เร็วก็ได้ให้มอนอยู่ภายในใจเพื่อจะได้หยุดความคิดต่างๆได้คาถามที่สองเวลาเราภาวนาพุทธโธการหายใจมันติดขัดเราต้องแก้ไขอย่างไรคะเออเราก็ไม่ต้องไปสในใจลมหายใจเลยก็ได้ให้อยู่ยกับคำบริกรพุทธโธอย่างเดียวก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณทิพวรรณหนูขอถามพระอาจารย์ค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วจิตมันฟุ้งซ่านตลอดแต่ก็มีสติคุคมจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกคะ่ะจิตนิ่งไปสักพักหนึ่งจิตก็ปรุงแต่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นเห็นนี่คะ่ะควรทำอย่างไรดีคะก็ควรกลับมาที่พุทโธพุทโธอย่าไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เห็นรา ม, มันเป็นของปอง มันไม่ได้เป็นข อ, ของมีคุณค่าประโยชน์อะไรเราต้องการให้จิตว่างจิตสงบจิตเย็นจิตสบายนั้นต้องท่อพุโทโธไปหรือดูลงไปเรื่อยๆอย่าไม่สนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณทาทาติดตามฟังเทศธรรมะบนเขาเท่าที่จะมีโอกาสฟังได้อยากกราบถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้ ธรรมะบนเขายังมีแสดงธรรมอยู่ไหมคะอยากจะมีโอกาสไปฟังด้วยตนเองบ้างคะ่ะตอนนี้ไม่ได้แสดงธรรมบนเขาแล้วเพราะตอนนี้บนเขาเขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโรคระบาดเขาต้องควบคุมทำให้การเขา้าี้ต่อไปถึงแม้เขาเปิดก็คงยังไม่ได้แสดงบนเขาแล้วเขาได้ย้ายลงมาพักอุู่ทีว่าก็าจะแสดงที่หน้าบุติแทน มีสองคำถามจากคุณพิชัยค่ะราบเลนถามพระอาจารย์ครับคำถามแรกพระอาหารหันต์ท่านทํากิจเสร็จแล้วท่านจําเป็นต้องทําสมาธิอีกหรือไม่ครับไม่จําเป็นแหละแต่ท่านก็ทําป็นการพักผ่อนจิตของท่านถ้าไม่ทำก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ท่านจะทําก็ได้ไม่ทำก็ได้คำถามที่สองพระอริยบุคคลจะมีโอกาสเสื่อมถอยลงมาเป็นปุถุชนได้ไหมครับ ไม่ได้นะนะถ้า ไ, ไ, ได้ขันไหนเราก็จะไม่ลงมาต่ำขนาดนั้นมันจะจะขึ้นไปอย่างเดียวด้วยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจนถึงขัง้นสูงสุดเราก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติมีสองคำถามจากคุณเพ็กกี้นนท์กราบเล่นถามพระอาจารย์การมีสัมมาอาชีวะเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างสุจริตเราต้องทํางานทํามาหากินไปจนถึงเวลาไหนจึงจะพอคะ ก็พอเลี้ยบ bạc เลี้ยงทองเลยถ้าเรามีเงินพอที่จะหยุดทํางานได้เราก็ไม่ต้องทํางานก็ได้คําถามที่สองกา ร, กรเกษียณอายุแล้วอยู่บ้านเฉยๆดูแลตัวเองทางกายวาจาใจโดยไม่ได้ทํางานหาเงินจะถือว่าเราเกียดค้านไหมคะขอบพระคุณค่ะอถ้าเราดูแลกายวาจาใจก็ไม่เกียรติค้านะการเวลา กายวาจาใจก็ได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมาคำถามต่อไปจากคุณเทิดชายกราบนรศการพระอาจารย์ขอโอกาสครับสามีของเพื่อนเพิ่งเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเพื่อนทําใจไม่ได้เลยน่าเวทนาสงสารมากเราจะใช้ธรรมะปลอบโยนช่วยเพื่อนอย่างไรให้เขาหลุดพน้นหรือบรรเทาจากความทุกขนี้ได้ครับก็อยู่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราครือ เราก็ไม่ต้องาการความที่ยูเหลือเราก็ช่วยอะไรคําไม่ได้แล้วเขามาปรึกษากับเราว่าทํำไงให้ใหายเศร้าเราก็บอกเขาาให้ปฏิบัติธรรมด้วยให้ฝึกสติให้ฝึกนั่งสมาธิแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะแฟนเขาแม่แต่ตัวเขาเองก็ต้องเจอกับสภาพแบบนี้เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณปูเป้จิตของมนุษย์และจิตของมแมลงสุดท้ายเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจิตเีง ต, ต่างกันที่สติปัญญาระดับสติปัญญาระดับศีลธรรมไม่เท่ากันคำถามต่อไปจากคุณวชิราวิทย์หากเราไปหลงอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะปรุงแต่งขึ้นมีวิธีหรือเทคนิคอะไรบ้างไหมครับที่จะทาให้เราหลุดออกจากตรงนั้นเร็วที่สุดทาอย่างไรบ้างครับ เ็ยใช้คำอะไรกาเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุธไปเดี๋ยวก็หลุดออกมาได้คุณถามต่อไปจากคุณก๊อกช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจครับไม่ขยันทำงานความขี้เกียจมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขมันอย่างไรครับก็ลงโทษมันสิเวลาขี้เกียจก็ตัดเงินเดือนมันนะอย่าให้มันกินข้าวทั้งมื้อหนึ่งถ้ามันขี้เกียจก็อยากกินข้าว นีให้กินข้าวเพย่อให้ขยันได้ทํางานถ้าขี้เกยียจก็ต้องตัดเงินเดือนตัดตัดอาหารลงไปคำถามต่อไปจากคุณพิชิตตัดจังสอบถามครับต้องการนิมุติจะเริ่มจากขั้นตอนไหนขอรับก็ตั้งแต่ทานไปทําทานรักษาศีลภาวนาไปคําถามต่อไปจากคุณมิปองกราบพระอาจารย์ค่ะ อยากถามว่าสติปัญญากับความรู้ต่างกันอย่างไรคะสติคื อ, คอการระลึกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายเรียกว่าสติปัญญาคื อ, ค อ, คอการรู้รู้ใจรักเรียกว่าปัญญาเรื่องอนิจจามทุกข์อนัตตารู้ผิดถูกดีชืว่วเรียกว่าปัญญาส่วนความรู้ก็คือผู้รู้ผู้รู้ปัญญาผู้รู้ รู้สตินี้เลยว่าเป็นผู้วิ้ีทีหนึ่งสองคำถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคําถามแรกกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานสี่ตัวธรรมในสติปัฏฐานคือการปฏิบัติอย่างไรครับเมื่อการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี่ก็เลยกเป็นตัวธรรมคาถามสุดท้าย การทำทานศีลภาวนาเราต้องเป้าหมายอย่างไรจึงจะถูกต้องครับก็ทำให้มากทำให้มากทาทานให้มากภารซาศีให้มากภาวนาให้มากคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ถามก็เชิญถามได้นะยกมือขึ้นแล้วก็ แล้วก็ปลิดไมค์โฟนก็ถามได้ถ้าไม่มีกระทมเดียวก็จะได้ปิดประชุมมีไมมีใครอยากจะถามบ้างไหมน่าจะไม่มีแล้วนวันนี้เอาอย่างนั้นข้าคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้คิดว่าพอสมควรกาเวลาก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่ที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติ เพิ่อความสุความเจริญก้าวหน้าในทำยิ่งขึ้นไปเธอ